จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านที่มีความสนใจที่จะต้องการเข้ามาสนทนาทถามตอบคำถามก็เชิญเข้ามาได้มีลำดับตามใครเข้าก่อนเข้าหลังก็จะไล่ไล่ชื่อไปตามลำดับ แลกคืนนี้ก็คือคุณหมอพิเชษอาจารย์พลคุณหมอพิเชษเดี๋ยวนักัสการพระอาจารย์ครับยมได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิสัจนาธรรมจบทั้งสองเล่มครับและในหนังสือนี้มีเนื้อหาอันหนึ่งที่พระอาจารย์กล่าวว่าพระไตรปิฎกมีพระสูตรที่สําคัญอยู่หาพระสูตรก็คือธรรมจักรขปวัฒนาสูตรอนัตตลคณสูตรอาทิตตปริยาสูตร สติปัฏฐานสูตรและมงคลสูตรซึ่งโยมก็ไม่เคยได้อ่านประตไตรปกเลยจึงได้ไปค้นในกูเกิลเพื่ออ่านเนื้อหาแบบฉบับย่อก็ทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาในประสูตร์ทั้งห้านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาเอามาสั่งสอนให้เข้าใจได้โดยง่ายรวมทั้งวิธีการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนไว่ายตายเกิด โดยที่โยมได้มีโอกาสฟังในธรรมเทศนาของพระอาจารย์แล้วก็อ่านในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ก็เลยมาเรียนขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าถ้าหโยมเนี่ยไม่ไม่ได้สะดวกที่จะไปอ่านพระตไตรปิฎกแต่ว่าตั้งใจที่จะศึกษาจากคําสั่งสอนของพระอาจารย์แล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้จะได้ไหมครับพระอาจารย์ก็ <c oughs> โยม่อต้องไปศูนย์ดูว่านำไปแล้วปฏิบัติได้ผลหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะมาบอกว่าได้นี่มันจะเหมือนกับโฆษณาของตัวเองอะไระคือคือคือที่ให้ที่บอกให้ไปดูข้อสูนย์ตอนนี้ก็เพื่อจะได้มีหลักฐานเป็นว่าเป็นคำสอนพระเจ้าโดยตรง แล้วถ้าเกิดใครนําคําสั่งคำสอนมาปฏิมาสอนนี่ดูว่าท่านจะแตกออกไปจากคําสอนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นการเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบนะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางถ้าเกิดเราไปศึกษากับพ่านู้ใดท่านหนึ่งแล้วท่านใดท่านหนึ่งแล้วเขาสอนอะไรที่มันไม่อยู่ในที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก็อาจจะต้อง คล้ายๆว่าต้องเราเระวังหม่ยก็แล้วกันแ ต, แต่ถ้าอาจารย์ของสอนที่ยอมที่เราจะมาสอนไปใช้ถ้าอยอมใช้แล้วได้เกิดประโยชน์ก็ก็โอเคเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราน่ะปฏิบัติ ก, กับตอนเรามาก่อนแล้วเราก็ได้รับประโยชน์เราก็สอนตามตามตามความรู้ความเห็นของเราตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา แน่นอนสองสอนโยมโยมได้มีความศรัทธานในคําสอนของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้วก็ได้ติดตามมาตลอดแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติ<ม>ก็ได้เห็นผลกับตัวเองว่าตัวเองก็ได้พบกับความสงบในชีวิตมากขึ้นความทุกข์ต่างๆก็น้อยลงครับพระอาจารย์คือคําสอนของพระเจ้าเนี่ยก็มีมากมายนะแต่สรงสอนเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยคือ คนเรามีจิตที่ต่างระดับกันบางคนยังอยู่ในในโลกก็สอนธรรมะทางโลกเป็นองวิหารสี่ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตารุณารมนุฒิธรรมเบญคาแล้วก็มีหลายหลายธรรมะด้วยกันที่ทรงสอนให้หมอะกับผู้คลองเรือนแต่เราไม่ค่อยได้สนใจทางนี้เราก็เลยสนใจในทางทางการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ อะไรไม่ได้ไม่ค่อยรู้มากรู้เหมือการแต่ก็ไม่ค่อยะดัดที่อยาเรามาสอนเ อ, อี่ยวว่าเราเห็นว่าความสำคัญอยู่ที่การไม่ใีความทุกข์มากกว่าการที่เราจะอยู่ในในโลกแล้วก็มีความสุขความเจริญอันนั้นก็ก็เป็นอี ก, อ, กอีกทางหนึ่ ง, งที่ เราผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะออกจากเรือนหรือปฏิบัติเหมือนกับผู้ที่ออกจากเรือนได้ก็อาจจะต้องอาศัยธรรมะเหล่า น, นี้ไว้ประครับประคองจิตใจไม่ให้ตกต่ำํำไม่ให้ทุกขมากจนเกินไปอันนี้ก็ก็อยากจะอธิบายฟังว่าทําไมพูดแต่พระสูตรถ้าพระสูตนี้นะเพราะถ้าที่เห็นว่ามันเป็นพระสูตรที่ ที่ทางไปสู่การอดทนซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับหลายคนก็ได้หลายคนอาจจะยังไม่มีภาวะหรือไม่มีสถานภาพที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็อาจจะก็ขอความขออธิบายทราบนะครับส่วนใครที่มาฟังแล้วจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินที่ได้บอกได้สอนนี่เอาไปปฏิบัติคก็ ก็ไม่ขัดข้องเพราะก็ทําหน้าที่ธรรมาก็ทําหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ ส, สอนธรรมะของพระเจ้าเนี่ยด้านหนึ่งนะซึ่งธรรมะมุทตะเจ้าก็อาจจะมีหลายด้า น, นด้วยกันบางท่านก็<ต>อาจจะไม่ชอบก็ไม่อาจจะไม่ไม่ชอบก็มีไม่เกิ อ, อาจจะไม่ถูกกับจิตหรือว่าไม่ถูกกับภาวะของเขาก็ได้แต่พระเจ้านี่ท่านเก่ง การสอนคนได <c oughs> ้ทุกระดับตอนนีก็คุณหมอเข้ามาฟังแล้วคุณหมอก็ไปปฏิบัติคุณหมอเขาครยเรียกว่าสารทิฏกนะธรรมะเป็นสารทิฏกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองทําอย่างนี้น่าจะได้อย่างนี้ใช่ไหมเจริญสติแล้วได้ความสงบใช่ไหม ลาตันหาเราดับความทุกข์ได้ใช่ไห ม, มนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้าเหมาะกับเจริญคือหมอนำเรยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้มีความสุขไม่ไม่ทุกข์ไม่วนวายใจกับเรื่องราวต่างๆก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเว่าพวกเราทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์กันเราก็ต้องการแต่ความสุขกันแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่มีธรรมะที้เข้าใจ ความสุขที่เป็นความทุกข์มากกว่ายังไม่รู้สึกตัวก็ยินดีด้วยดีใจด้วยที่คุณมอยินดีที่อยากจะนำเอาไปปฏิบัติต่อถ้ามีอะไรก็ถามได้นะถ้ามันเอาไปปฏิบัติแล้วมันเกิดมีปัญหาเนี่ยทำไมถึงไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นก็สอบถามได้ สาธุครับอาจารย์ขอบกับขอบขอบคุณครับตอนนี้ก็ขอให้เร่นปฏิบัติให้มากลพรานเวลาเรลน้อยมากพยายามรักษาปโยชน์สิทให้ได้เป้าหมายที่แท้จริงของการบริบัตรนักสากยาติตินขนการน่าดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ เขาเป็นไปตามสภาวะตามตามธรรมชาติของเขาสุดท้ายแล้วโยมก็คงต้องไปบวชครับพระอาจารย์แต่ว่าต้องรอความพร้อมวิญญาณเด่งก็พระอาจารย์ที่ว้านนี้ก็มีหมออาจารย์หมอท่านนอายุเจ็ดสิบห้ามาหยุดทำงานเข้าบวชเลยาอาจารย์นิพนธ์ครับอาจารย์นิพนธ์เป็นหมออันนี้หมอชัยยศใช่ไหมหมอชัยยศหมอชัยยศเป็นหมอทางด้านโรคผู้หญิง อ, <S <S อ๋ อ, อ, อจะมีอาจารย์นิพนธ์ก็เป็นอาจารย์สีราดที่ท่านดูด้านด้านสมองท่านไปบทท่านไปบทที่วัดอือ่นไม่ได้บวทที่นี่ได้ข่าวว่าไงท่านไปบทที่วัดวัดบวรนิเวศแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปศึกษาธรรมะที่วัดป่าวัดถ้ดำอะไรจําชื่อไม่ได้ครับได้ข่าวว่าการท่านกลับมาเสร็กต้องใช่ท่านเมื่อ <Eastern. S 2> ท่านท่านป่วยเป็นธรรมพาตอรมพาตไปซิก ขึ้นซิครับแล้วก็มไม่แน่ใจว่าท่านสึกประหยัดครับอาจารย์เคยได้ยิข่าวไหมครับแต่เนี่ยอายุมากมันก็มีอุปสรรคอย่างเงี้ยในทางร่างกายแล้ยิ่งถ้าบวมอยู่แบบพลาดมันค่อนข้างที่จะอัตรกระดูกสันนะแล้วคนที่มีสุภาพที่อายุมากแล้วก็เคยอยู่แบบสบายครับจะรู้สึกว่าจะตับดรอได้ยาก แต่ก็ไม่เสืส่อสัยอย่างคุณหมอชายโยติท่านก็เก่งท่านก็เดินเป็นตบารได้ทั้งวันเดินโยกงงท้งวันขอบพระคุณพรอ า, ารจารย์เป็นอย่างสูดครับถ้าบวชไม่ได้ก็บวชทพอยู่แบบคารวาสไปแล้วก็ปฏิบัติแบบผ้าไปก็ได้แล้วมันมันอยู่ที่ที่ที่ใจเป็นหลักแต่ถ้ามาเป็นผ้ามันก็มีผ้าวินัยที่จะต้องรักษาด้วยะค ซึ่งอาจจะยากต่อคนที่มีสูงอายุบินตาบาลต้องทำอะไรเองทุกอย่างปาดทุกุตเตเองสร้างจีวรเองไม่มีคนรับใช้ไม่มีใครทำอะไรให้เราก็ลองดูอยากจะลองบวชก็ได้อยเปไปยึดมั่นถือมั่นกับการบวชว่าจะเป็นแนวทางอย่างทางแนวทางเดียว อยถ้าบวชบวชแล้วไปได้ก็บวชไปจนกว่ารู้สึกว่าสภาพร่ า, างกายมันไม่ไหวก็อาจจะกลับไปอยู่แบบคาระวะให้เปฏิบัติ่อนะถ้าเรารู้จักแนวทางนะบวชที่ใจบวชที่จเป็นหลักนะปฏิบัติที่ใจแต่ที่นี้ถ้ามีเป็นเป็นเป็นนั่บวชมันก็มีกฎระเบียบ ม, มากขึ้น มัน oh ก็อาจจะทําให้ยากยากทาหน้ากายภาพทาหน้ากายโอเค <c oughs> okay, นะสาธุขออนุญาตจ่าแม่กับเจ้าที่จากศรีราชาอันนี้ประส่งการ์บ้านใช้มแล้วทบทว น, นทบทวนของเก่าก่อนได้ไหมทบทวนของเก่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยในวันนี้ อเสวนาจาัการาลานังปันเดตาจักรเสวนาบูชาจักรูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการไม่คบคนพาลทั้งหลายการครบบัณฑิตทั้งหลายและการบูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งสามประการนี้แทเป็นองคลสูงสุด ปฏิรูปรเทสาวาสโสจะภุเพจจกกตตาปุนยาตาผู้ชาจะผู้ชนะนังเอตมัมมังคะลุมตามมังไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผู้ชนะนงเมืม <c oughs> มม่อกี้เพิ่พูดออกมาอัตตาสมาปนิธิจะมวัวแล้วมวัวแล้ว <c oughs> จะมาจมอาาจปติรูปปิสธวาโสจะปุพเพจะกัตตาปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตามังคลบุตามังการอยู่ในที่เหมาะสม การได้เป็การได้บำเพ็ญบุญมาก่อนและการตั้งตนไว้ชอบทั้งสามประการนี้แลเป็นงคลสสุดเป็นองคลสูงสุดข้อต่อมาสามข้อต่อมาข้อเจ็ดพาหุสังจะจาราพาหุสังจะจักสิปันจะ วินัยโยจะสุสิงิ์โตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตังก า, การมีความรู้มากก า, มการทำงานช่างการมีวินัยอย่างดี<ม>และ<ม>าการพูดจาไพเราะ<ม>ทั้งสี่ประการนี้เป็นวงคลนสูงสุด การความรู้มากก็คือเรียนมากมากให้จบปริญญาเอกเนี่ยทางโลกก็จบปริญญาเอก ค, คนเรียนปริญญาสูงๆมาลาหางานทำก็ได้งานสบายเดือนเดือนก็ดีใช่ไหมอโอเคแล้วการอะไรข้อตำ ม, มาคำตอบ ก, การทำงานช่าง แล้วก็มือสีมือคนที่มีช่างช่างฝีมืออก็สามารถทําอะไรต่างๆได้ช่างวาดเขียนช่างปั้นช่างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เอามาเป็นอาชีพได้แล้วมีวิญญาคือคนที่อยู่ในกฎในระเบียบใช่ไหมทำตามกฎตามระเบียบคุณแม่ที่บ้านมีกนมีระเบียบอะไรบ้างถ้ทาทําตามกฎระเบียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไปทําผิดก่อนเดี๋ยวก็มีเรื่อวมีปัญหามีโทษตามมาแล้วสุดท้ายการวางตนให้เหมาะสมเนี่ยคนเราทุกคนมีฐานะเรามีฐานะเป็นตัวเราตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เ, เด็ ก, ดกราก็ทําตัวเป็นเด็กอย่าไปทําตัวเป็นผู้ใหญ่เราต้อง เจอผู้ใหญ่เราก็ต้องคารวบผู้ใหญ่เนี่ย <c oughs> นะครับหงจากตัวฐานะของตัวเองอืมครับทำได้นะ <c oughs> ทําได้ครับก้อนนี้ทําได้นะ <c oughs> ทําได้ครับตรงนี้เก่งๆนะขยันเรียน <c oughs> แล้วก็หัดทำงานอยู่บ้านหาดทางนานในความบ้านถึงบ้านก็ไปงานช่างแบบนึงช่างทําความสาด ช่างท ำ, ทำ ข, ข้าวช่างอะไรเป็นการสีมือแลว้วนะฝีมือทําแล้วมีประโยชน์ครับครับเขาเร้องกฎระเบียบโรงเรียน ก, ก็มีกฎมีระเบียบก็ต้องเขาร้องอยูที่ไหนที่ไหนก็มีกฎมีระเบียบเ ร, กราก็ต้องเขาร้อมีวี่ไหนค่ะครั บ, รบมีอะไรจะาถามไหมเออจะันส่งข้อที่พึ่ง พึ่งท่องได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ขอที่หน้าไม่ใช่หรือตอไม่ใช่ครับคืออันนี้ก็คือบทใหม่ที่อาทิตย์ที่แล้วที่จะท่องต่อคัะพอาจารย์ครับยังไม่ท่ท อ, อเป็นการบ้านขอที่หน้าใช่ไหมเป็นการบ้านของอาทิตย์ที่แล้วครับ้ ว, ว่าม า, มาตาปิจุอุปปัฏฐานางังปุตตะาทารัสสังคาหู อนาคาจะกัมมันตาเอตัมมังขลมุตตมังการเลี้ยงดูปิดามันดาการส่งขอบุรภรรยาและการทำ ง, งานไม่ข้างค้างทั้งสี่ประการนี้เป็ น, นมงคลสูงสุดเราเป็นเราเป็นลูกเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ ต่อไปพ่อแม่แก่เลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงดูเราตอนนี้นทําหน้าที่กันตอนนี้เราเป็นลูกใครพ่อแม่เลี้ยงดูเราต่อไปเราโตพ่อแม่แก่เราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่คครรัับบแล้วอะไรอีกข้อหแล้วก็การส่งขอบบุตรแล้วก็ภรรยาครับ นั่นแหละเราไปเรามีาครอบครัวแล้วก็ต้องเลี้ดูภรรยาเลี้ยงดูลูกนะเหมือนก่อแม่ที่เขาทำถูกเรารไม่ใช่มีแล้วก็ปล่อยไปแล้เลยที่นั่นเขาอยู่แบบอดทนอดยอย่างยัง่งยานะครั บ, รบต่อมาการทํางานในชั้งครางครับ อ, มบบอ่มีงานแล้วต้องทําให้มันเสร็จเสร็จนะ อย่าไปเล่นเกมอย่าไปทามาบ้ราทําการบ้านก่อนอย่าปล่อยข้างๆถ้าปล่อยไว้มันก็ไม่เสร็จ ท, ทันทีถ้ารีบทาันมันเสร็จๆมันก็เสร็จไปเลยใช่ไหมจะได้หมดเรื่องหมดาวเลยนะทำได้ไหมทาได้ครับได้ครับอยากไหมไม่ยากนะไม่ยากครับโอเคนี่เอาที่หน้ามาต่อใช่ไหมใช่ครับโอเค เอาทบทวนนะแม่เดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวพอได้ข้อใหม่แล้วข้อเก่าห<อ><อ>นึ่งเอทบทวนอย<ๆ>่เร<ๆ>ื่อยจะได้จาได้ทั้งหมดต่อไปออมีอะไรอยากจะถามไหมห น, หนูมีค่ะพระอาจารย์อพอจเจริญสติมากๆะคะ่ะมันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นนะคะหนูเริ่มเห็นสัญญาขันที่ทำงานเองอะคะ่ะพระอาจารย์มันผุดขึ้นมาเองแต่ก่อนเนี้ย พอปวดขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็ไปด้วยค่ะแล้วมันเกิดอารมณ์แต่ตอนเนี้ยพอมันผวดขึ้นมาแล้วหนูมีสติหนูเห็นว่ามันไม่ใช่เราที่ที่คิดขึ้นมาค่ะเหมือนกับเขาคิดขึ้นมาเองสัญญาคิดขึ้นมาเองอะค่ะแล้วเราก็ไม่ไปตามเขาอะค่ะมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เหมัอนดับไปค่ะพระอาจารย์มันก็กลายเป็นแบบไม่สุขไม่ทุกข์คือมันบอกไม่ถูกจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่ ช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยครับถ้าไม่มีสติมันจะไหลไปตามอารมณ์ทันทีใช่ค่ะใช่อคิดดีก็ดีใจไปด้วยพอคิดไม่ดีก็เศร้าใจไปด้วยอืมยันี้เฉยๆมันดีมันเ ช, ชื่อเรื่องของมันพอเรารู้ทันปั๊บมันก็ดับไปใช่ค่ะใช่เห็นชัดเลยว่าเอ้ยพอเราไม่ตามปุ๊บมันดับเลย<ม>แล้วเดี๋ยวมันก็ขุดเรื่องใหม่ขึ้นมาเราก็ไม่ตามมันก็ดับอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีสติมันพอมันผุดขึ้นมาแล้วก็คิดตามมันไปเลย แต่ก่อนเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นอย่างนี้ไม่ร้าตามันนะเ้ามีสติอยู่ในปัจจุบันสัตว์แต่ว่ารล้ไปรู้ว่ามันเกิดเป็นดับไปไม่สุขไม่ทุกฉเฉยเฉยสบายกว่ า, าสุขก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันหมดก็มันก็ทุกถ้าทุกขึ้นมาก็ก็ทุกทันที ตัวเฉยๆกับมันดีก่ามันจะสบจะทุกข์ก็ไม่ต้องไปยินดีร่ายกับมันถ้า ม, มีสติรู้ทันอันนี้ฝึกไปหน้าสติเนี่ยนะมีคุณค่าจะได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้จักอารมณ์รู้จักใ จ, กจของเรารู้จักอาข้ามจิตใจครับเวลาคิดไม่ดีมีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ไม่ปล่อยให้มันเลุดออกมามีมากไม่อะไรก็ะทำไหมเนี่ย ไม่มีคนะคขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคต่อไปคุณซาตกาจากชาจีนเชิญมาฟังธรรมคระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะเอ่าสาเถอคุณยอมหญิงวลายพรพุทมนตนร้ายสองกลับนมัสกรารพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ปฏิบัติอยู่ทุกวันกับพระอาจารย์แล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์มาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคค่ระาจารย์บัววนราชธานีกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับลูกก็พยายามปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็เอ่อ mm hmm. พอไม่ได้ทํางานน่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็มีเวลาเจริญสติมากขึ้นแล้วก็ความคิดน้อยลงค่ะแต่ลูกจะปฏิบัติ ประมาณว่าเป็นประมาณเต่าเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ทําอะไรที่เป็นตารางซ้ําๆพยายามทําซ้ําๆซ้ําๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เ<ร>า<อ>่าเป็นยังไงจิตใจดีขึ้นไหมก็กลุมได้ไหมง่ายๆขึ้นไหมจิตใจดีขึ้นเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่การบ้านที่ที่พระอาจารย์ให้ไว้คือเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ก, ก็ พอเราพยายามที่จะมีเวลาปฏิบัติที่เป็นตารางมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์มันทําให้เราเพิ่มความมีสติได้มากขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกลูกจะดูการการพัฒนาเป็นเป็นแบบเหมือนเตา่าอ่ะเจ้าค่ะอาจารย์มีความเพิ่มขึนะ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่ปาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำทำต่อเนื่องการปริบัตินี่มันเหมือนกลูกต้นไม้มันไม่ได้แบบพรวดพราดเป็นมาเจ้าค่ะมันก็ค่อยๆเดินไปได้เลยเพราะสำคัาเขาให้เรามีมีตารางมี มีการกระทําอย่างต่อเนื่องไม่ต้องไปคำวลกับผลนะคำวอนกับเหตุคือการกระทํำการปฏิบัติองเราบ้าต่อเนื่องไม่การมีตารางมันก็เป็นการบังคับเราไปในตัวว่าถึงเวลานี้ต้องเดินจงครมถึงเวลานี้ต้องนั่งสมาธิค่ะมันแต่มันก็คือเนื่องจากว่ายังอยู่ร่วมกับคนอื่นก็มีปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่โดย โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะพยายามปรับให้ได้ตามตารางมันก็เลยทำให้เราแบบ<ม>พอมีเวลานี้มันไม่ได้ทำมันก็จะเหมือนมีความรู้สึกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าต้องทำชดเชยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย <c oughs> ม์มันก็ทำให้พอเราพอเราปฏิบัติต่อเนื่องใช่ไมเจ้าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เราเห็นความแบบ ตอนแรกมันจะยากเจ้า่ะพระอาจารย์ในการที่จะเข้ามามีสติแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเหมือนเกิดความชำนาญเจ้า่ะพระอาจารย์มันก็ทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นเจ้าขาพระอาจารย์พยายามเจริญเหตุให้มากๆปฏิบัติให้มากๆคั้นคอยคชอบทวนดู ว, ว่าเวลาปฏิบัติของเรามีเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงไปไม่ต้องไปกังวลกับผลผลมันตามมาจากเองเจ้าขาพระอาจารย์ เจ้าค่ะลูกสำหรับวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะ okay. คุณหมอนนทิดาต่ออ่เชิพูดได้แล้บหออนยาเราจะค้างาไม่บ้างไนเห็นภาพค้างริสกับพระอาจารย์ เรจะผ่านไปให้ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของความกลัวกับเรื่องของเวทนาทางกายใช่ไหมจ๊ะคะเหมือนกับว่าเออ่เวทนาทางกายเนี่ยเออถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยเหมือนรูปเสียงกินลดอะไรเออภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบง่ายง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ้าค่ะพระจันต์อันนี้โยมเ <c oughs> ข้าใจถูกไหมจ้าค่ะก็รูปเสียงกินรดต่างๆมันก็เป็นตัวผลิตเวทนาต่างๆขึ้นมาใช่ไหม เวลาเราสัมผัสรูปเสียงกิ่นรสปวดทัพอเราก็จะเกิดเวทนาสุดบ้างไม่สุดบ้างทุกบ้างในเวลาที่เราเราเจอความทุกขเวทนาที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ไปวยมันก็เป็นโวดทัพมันก็มาทางทางปวดทาัพอันทําสัมผัสทางร่างกายมันก็มันก็เป็นเหมือนมาทางตาหูจมูกเล่นกายมันก็ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราผ่านตัวนี้ได้ รูเสียงกิริที่เราสัมผัสแล้วเกิดทุกข์ก็ไม่ถึงเราเราก็จะผ่านมันได้แล้วก็จะเฉยได้ได้ยินเสียงใครเ้าด่าล้วก็จะเฉยได้ใครทำกิริยาการดูถูกดูแคนเหยียดย้ําเราหรืออะไรเราก็ดูแลเราก็เฉยได้ถ้าเราผ่านตัวโภาพระึ่งเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความปวดทรมานขอากกายแล้วเราสามารถอยู่เฉยกับมันได้ ก็มีนักปฏิบัติรู้สึกคนหนึ่งเขาพอเราเมืไปเจอโลกได้ขึ้นมาแล้วเกิดความเจ็บปวดมากทางร่างกายแต่เขาก็ใช้สติใจปัญญาพิจารณาแล้วก็ในที่สุดก็เฉยกับมันได้แล้วเขารู้สึกว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะเฉยกับเรื่องอื่นได้อย่างง่ายดายเจ้าขอะพระอาจารย์คือพอโยมฟังเนี้ยก็เลยในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้โยมก็เลยเหมือนกับ ดูเวทนามากขึ้นนะะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับรู้สึกว่าเอถ้าเทียบกับเเวทนาจากความเจ็บป่วยหรือตอนที่เราจะตายจริงๆหรือว่าเทียบกับเวทนาในาบายเยี่ยก็คงจะแบบเหมือนเป็นเรื่องจิบๆถ้าเทียบกับตรงนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะผ่านไปให้ได้แล้วก็คือเดิมทีเนี่ยก็คืออาจจะใช้สมาธิข่มบ้างหรือแบบเอภาวนาพุโทโธไปตอนเนี้ก็เลยเอมี ดูเวทนาให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบเหมือนเห็นว่าจากที่มันเอ่ออาจจะคะแนนแปดเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจของเราเนี้ยมันมันมันค่อยคอยแบบรู้สึกกับมันน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกับเอ่อคล้ายๆกับที่อาจารย์ประมาว่าแบบเหมือนกับเป็นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่ามันมีตกหนักบ้างเบาบ้า ง, างแต่เราแต่จิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนอยู่แบบอีกฝั่งหนึ่งที่ แบบดูผ่านกระจกอะไรแบบนี้เจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ไปรู้สึกกับตรงนั้นมากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วนู้นเฉยๆไปหรือว่าเราทําอะไรมันไม่ได้สั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้มันมันจะตกก็ต้องปล่อยมันตกไปร่างกายจะเจ็บปวดยังไงก็ต้องปล่อยมันเจ็บปวดไปถ้าเกิดไปเกิดความอยากอยากให้มันหยุดนี่หายมันจะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นความเจ็บเป็นความทรมานมากกว่าความเจ็บปวดทางร่างกายไหนเท่า ใช่ค่ะอันนี้เราก็เหมือนดูไปเรื่อยๆเท่าที่เราไหวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ความที่ถ้าถ้ามันยุ่ไม่ไหวก็แสดงสติเราไม่พอเราควจะกลับมาบริกรรมที่มาเราอย่าไปดงมันเจ้าค่ะดูมันให้รู้ว่าเราดูเพื่อปล่อยวางถ้าไม่ยามปล่อยแล้วก็ต้องใช้พูดโท้พูดโท้พูดโท้เรื่อยๆเราออกมาอย่าไปสนใจมันอย่าไปรับมัน เจ้าค่ะอาจ า, ารย์ว่าจะถายดีว่าดีว่าแบบคือเราก็สลับระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาในไรไอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้ถ้าใช้วิปัสสนาก็พิจารณาว่ามันเป็นอ น, นตัตตาเราไปควบคุมบังคับไปไม่ได้เจ้าค่ะอาจ า, ารย์แล้วก็แต่ยังอยากให้มันหายยังอยากยังอยากจะนี้ยังไปก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดความอยากนี้่าพอาจารย์ซึ่งก็เหมือนหลักการเดียวกันกับ ตอนที่เราปฏิบัติในชีวิตจริงที่เราก็อาจจะใช้สมาธิบ้างหรือใช้วิปัสสนาดูบ้างอะไรแบบนี้หรือเปล่าจ๊ะคะเวลาที่มีเละเข้ามาได้ได้ใช้ทั้งอยา่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้า น, นแต่จะจะจะถนัดจะพร้อมที่จะใช้ถ้าใช้ปัญญาไว้ได้ก็ใช้สติไปก่อนใช้คําบริกรรมไปก่อนอนะจ๊ะค่ะ แต่อย่างถ้าเราใช้ใช้ปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอน่าจะมีอนุนมที่มันจะค่อยๆลดลงจนในที่สุดมันถาวรไปได้อย่างเช่นพระพัชชัยคือถ้าเราใช้ปัญญาได้มันก็จะแก้ปัญหาแบบถาวรถ้าใ ช, ใช้สติก็เป็นการระงับชั่วคราวเรามันเ๋ยเจอปัญหาเดิมเมื่อเกิดก็ก็เกิดปัญห า, าขึ้นมาอีกได้เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกได แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วพอเจอเหตุการณ์คล้ายกันตอไปมันก็ไม่ถูกแบบปัญญามันดีตรงนี้ปัญญามันมันแก้ปัญหาได้อย่างราบคาบทอนรากถอนโคนแบบสตินี่มันเป็นเนพียงแต่ละงับปัญหาไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่ได้แก้ยังไม่ถอนรากถอนโคนมันเจ้าค่ะพระเจ้าคือนตอนที่มัน เป็นสูตรจุดที่ถอนรากถอนโคนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็คือว่าเออเรามีความรู้สึกกับสิ่งนั้นแต่ว่าเราไม่เราหนีใช่ไหมสำหรับอาจารย์ใช่เรารู้ว่าปัญห า, าเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากไม่เจอเขาหรืออยากจะเจอเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราตัดความอยากอันนี้ไปได้เขาจะมาก็าจะไปเขาปล่อยเขาไม่ไม่ไม่ไปว่นวายกับเขาเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ออกไป เจค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณเจ้าค่ะอ๋อจบที่จากที่ไหนนะอ๋อสิริลาเจ้าค่ะพระอารารท่านจารย์หลายๆท่านนะสักครู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพระาจารย์อาจารย์พรหมวิไลขอบคุณคนณอนกูลสบายดี กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะพระอาจาย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้เห็นได้ปุจฉากันหลายๆเรื่องอนะคะก็เลยมีความสุขว่าขอบุดร่วมปุจฉ้าด้วยสักนิดหนึ่งได้ค่ะว่าในชีวิตที่ดําเนินมารู้สึกว่าได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆสเปะสะปะามาเรื่อยๆนะคะแล้ก็เดินทาง ออได้ศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์มาเป็นเวลานานแล้วก็จากพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ไม่ใช้ในชีวิตมีความรู้สึกว่าด้วยอายุที่เท่านี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปในทางธรรมโดยไม่รู้ตัวนะะัไปเรื่อยๆก็เลยมีชีวิตที่รู้สึกมันเงียบดีสงบสบายเรียบง่ายนะเรียบง่ไม่วนเวนสบายแล้พยายามพยายามเออ พบคนให้น้อยลงกลุ่มให้มันน้อยลงก็มันเหมือนกับมีมีโลกที่ที่มีความสงบอยู่กับคนรอบข้างก็ทุกคนก็มีมีความสุขเพราะว่าเรามีความเมียบแล้วเราก็มีธรรมะกันอยู่ในใจตลอดเวล า, าค<น>วามพบคนพบ ค, คนที่มีธรรมะคนได้มีธรรมะก็มไม่พบใช่ค่ะเพราะมันมันอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่มีธรรมแล้วก็เราเองก็เลยมีตัวเอง จากที่เคยเวลาทำงานมันก็จะมีวงกว้างใช่ไหมคะเราก็จะค่อนข้างคบคนหรือว่าลายที่คนเูาเล่นกันเยอะๆเราก็ไม่เล่นเราก็เหลือกลุ่มเล็กๆนิดนึงที่เรายังต้องมีการช่วยเหลือมูลนิี่บ้างอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะแต่มันจะไม่มีอะไรมารุงลังล็อกทำให้มันต้องไปวอกแวกเราก็มีความสงบแล้วก็มีสติแล้ก็ระงับ สิ่งต่างๆได้มันมันเร็วมากจนมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วใช่ยุนี้เราถือหลักความสงบเป็นเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วยังอื่นไม่สําคัญเท่ากับความสงบก็เลยแบบมันเหมือนคืออืมก็ยังไม่สายเกินไปยังเวลเวลาเหลือบ้างก็จะต้องเร่งทํานะครับไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีนั่นติสันติปรังศักดิ์สิเออที่เหนว่าความสงบไม่มีค่ะ ความสับใจเราเป็นเป็นเป้าหมายสำคัญใมชีพของเราเจ้ารู้สึกว่าเออชีวิตนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็มาถูกทางมากลเลิมไปใจสายธรรมะเมื่อไหรขึ้นมาก็คือเขามีธรรมะอยู่ในใจใแล้วก็ปฏิบัติตามาใจเรา ส, าสงบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปนัญหาเลยนะใครจะเป็นใครจะตายเราจะเป็นเราจะตายก็ไม่เป็นปนัญหา ใช่ร่างกายเป็นไรหรือว่าวินปัญหาคนข้างาๆเป็นไรเราก็ไม่เป็นปัญหาเอ่ใช่ค่ราะเราทําอะไรไม่ได so, ้ใช่ไหมค่ะเขาต้องเป็นไปตามเวลาของเขาค่ะก็ต้องสอนสอลูกๆลูกๆก็เรื่อศึกษาถ้าเราเล่าพูก็จะกระจายขึ้นไปเรื่อยๆใช่ก็มันเลยตามกันมาเป็นเป็นพวนเลยก็เลยก็เลยมีครอบครัวที่ค่อนข้างมีความสงบใช่ใช่ดี่ โอเคนะเดี๋ยวรวมุูฉชาค่ะขอบคุณอาจารย์จ้าจาเจ้าพระเจ้าแม่ชี น, นั้นนี่น่าจะหมอหมอมาบวชเป็นแม่ชีอ่ะ <laughs> แต่แม่ชีหมอคงจะมียอะขึ้น <laughs> าการนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นเป็นแม่ชีสบายใจแบบเป็นหมอเยอะค่ะหมอจบจากที่ไหนนะคำา จบจากจุฬาค่ะอาจารย์เรียนจุฬ า, า, ามาตลอดเลยค่ะเฉพาะทางด okay. ้วย<ม>ค่ะไม่มีคําถามอะไรค่ะอา่าวันนี่คุณจายคุณจายนี้เป็นนักธุรกิจนะคะค่ะน้องกราบมาสการะอาจารย์<ม>วันนี้มนไม่มีคําถามค่ะเข้ามาฟังคำค่ะแล้วเป็นไงจิตใจควบคุมได้ง่ายขึ้นไหมควบคุมได้ง่ายค่ะเพราะว่าที่บ้าน ที่บ้านโยงกําลังมีปัญหาค่ะก็เลยแต่ก็พยายามทําใจวางใจให้ให้เฉยแล้วก็วางใจไม่ให้ทุกข์ไปกับมันได้ค่ะพระอาจารย์แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่ปอยมันไปทางเรื่องของมันค่ะก็ก็หลานชายก็ยังไม่กลับบ้านก็เลยตามหาติดตามกันอยู่ค่ะแต่ก็วางใจไม่ให้ทุกข์มากละพระอาจารย์ใช่แล้วห้ามมันไม่ได้ก็จะทําไรก็นเรางองเขา ค่ะอันนี้ก็เราไปทุกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคราค่ะธรรมะช่วยได้แย่เลยค่ะธรรมะของพระอาจารย์ช่วยหนูได้เยอะมากๆเลยก็คือวางใจให้เบาให้มีสติแล้วก็ค่อยๆคิดไม่ไม่พู้วามไปทำก็ไม่ให้ทุกข์กับมันนะคะพระอาจารย์ให้อยู่กับมันให้ได้ก็สอนน้องสอน สอนเขาได้ก็สอนให้เขาให้เขามีสติมากขึ้นนะคะก็อย่าไปทุกข์อะไรนะคะใช่ทุกอย่างมันเป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยของเขาอ่แต่ก็สงสารเขาอยู่นะค่ะอวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์มีแค่นี้ค่ะหมอภาชนะอยากกอทำหมอนกลับธรรมะสัการ์ค่ะพระอาจารย์คุณหมอสายหนยจบจากสายอะไะ อ, อ๋จบ่อจุฬาค่ะแล้วก็เรียนตออ่อที่จุฬาจุฬาหมดเลยเหมือนกันค่ะเรียนต่อทุกท้องทางต่อค่ะพระอาจารย์ก็จากคราวที่แล้วที่พระอาจารย์ให้ไปลองเรื่องของอาหารน ะ, ะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีกินกาแฟที่ตัวเองเคยชินกินตัววันหนึงสิบแก้วนะคะพระอาจารย์สมัยก่อนเพราะนอนดึกนะคะ ท, ทงานเยอะออก็ไม่รู้สึกว่าไอ้กาแฟเดิมที่เก็บเต็ไมไว้คุณพ่อชงให้คุณพ่อลูกหอม ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเคยชอบก็กินเข้าไปแล้วรู้สึกเฉยๆค่ะพระอาจารย์<ม>ก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วก็<ม>อาหารที่พระอาจารย์บอกว่าให้บิดทานอาหารที่ไม่ชอบก็คือพวกผักผลไม้ก็ก็ทานอยู่เพราะว่ามันต้องทานนะคระอาจารย์ทานมื้อเดียวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่วันเข้าวรรษาก็ทานมื้อเดียวมาตลอดทานประมาณแปดโมงหลังก่อนพระหลังพระอาทิตขึ้นนะคะก็ก็ทานได้คืออาหารก็ไม่น่า ม, ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทานแบบ ทานแบบชามเดียวนะคะพระอาจารย์ไปวัดก็ทานชามเดียวนะคะ อ, อ, ยยอยู่ง่ายกินง่ายามีอะไรมีอะไรก็กินไปมีมีอะไรให้อยู่ก็อยู่ไปให้มันหลบด่านหลบขนได้ไปก็โอเคค่ะค่ะวันนี้มีคําถามเดียวค่ะพระอาจารย์คืออยากจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสังโยชนะคะพระอาจารย์ก็คือว่ากรามกามกามกรมมากรมกรรมราคะใช่ไหมคะมก็คือว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันก็คือรวมทั้งทุกอย่างเลยรวม รวมอนุสัญนากหกด้วยใช่ไหมคะไม่ได้รวมแค่เรื่องเรื่อง อ, อการมาตัณฐายงังรวมทั้งหมดเลยอันนี้หมายถึงหมายถึงการยังมีเพศสัมพันธ์อยังไ ม, ไม่ไม่รวมอย่างอื่นใช่ไหมคะอย่างแสดงว่าเราดูเราดูว่าเราเราตัดความอยากมีเพศสัมพันธ์ได้ถ้ามันตัด<ม>ไ ด, ด้ตัตัดแล้ตัดได้เพราะว่ามันดูดูว่าสุภาก็ก็คือเจริญสุภาเนี่ยถ้ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดมมีปัญหาก็ไม่ไม่ต้องดูแต่ว่าทุกเช้าก็จะเจริญ จะดูจะจะทำกายยะอาจารย์ทำทำเรื่องมาสติปัฏฐานสูตรอ่ะมันก็มันก็ดูสุภาอยู่แล้วทุกวันแล้วก็ตอนนี้ก็มองเห็นเป็นถูกอุจลาระถุงที่คือมองทุกคนถ้าเกิดคนเยอะก็มองเป็นแบบประชาธิปติกก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยก็ไม่มีปัญหาหน้าอาจารย์มาแรกนึกมันรวมอายุตนะหด้วยมันก็ถ้ามันมันผ่านกันได้มันก็ผ่านหมดทุกตัวนะทุกตัวมันก็ไม่มีะความรุนแรงมันไม่เท่ากับไอ้ตัวนี้มันแรงสุดอ๋อ ก็จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วพวกถ้าเกิดพวกอัญตนะหกเนี่ยคือถ้าเรามองให้สังเวยวัลรู้จริงๆแล้วก็คือดูที่บิญญาเลยใช่ไหมพระอาจารย์ผัสสะคือถ้าดูปุ๊บเราพยายามแบบตั้งสติดูตลอดเลยวเวลาเจออะไรปุ๊บเนี่ยดูบิญญาปุ๊บมันก็คือจะหยุดตั้งแต่ตรง น, นั้นแหลวมันก็จะไม่ต่อมาเพราะเราเห็นตามจริงไม่เป็นสัญญาอย่างนี้ไหมคะพระอาจารย์คืออยู่ที่ว่าเราดูแล้วเราเกิดต้านาความอยากหรือเปล่าเกิดเพราะมันอยู่ตั้งแต่แรกคือคือพยายามฝึกนะพระอาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆ ก็ดูสัญญาความจริงอย่างนี้ก็ได้ก็ก็ไม่รู้แหละก็ดูตรงที่ว่ามันถ้ามันเกิดความอยากก็ต้องระงับมันให้ไนะถ้าเกิดความทุกข์เกิดเรื่องราวต่วางๆก็ต้องระนับมันมันก็เกิดจากความอยากเราจะดูจากปฏิฆาใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราอยู่ได้แปลว่าจะไม่มีปฏิฆาแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์มันดูตรงนี้ใช่ไหมคะดูเราไม่มถ้าถ้ามันไม่มีการอารมณ์มันก็จะไม่มีปฏิฆาถ้ามันเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะเกิดความหงุดหงิด ซึ่งมันอาจจะอาจจะมาถึงเมื่อถึงเรื่องอย่างอื่นก็ได้นอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ที่อาจารย์บอกละเอียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเกิดความานี้ขึ้นมาใช่ค่ะอาจารย์รู้สึกในสัมมิยนี้ตัวนี้ท่านจะ้น่นได้ตัวการมีการร่วมเพศสัมพันธ์นะครับ อ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วอีกอย่นหนึ่งคือ เ, เริ่มมองเห็นเริ่มมองเห็นมานาะคือตอนแรกนึกว่าแบบเออเริ่มเห็นขีลยละเอียดแล้พระอาจารย์คือเหมือนกับว่าบางทีเวลาคือถ้ า, ถ, าถ้าเรื่องของขีดลยละเอียดก็คือเหมือนกันก็คือดูไตลักษเหมือนกันแล้วก็ดูว่าคือ ด, ดูตอนนี้พิจารณาขันแบบที่พระอาจารย์บอกอะคือดูให้ละเอียดคือนา ม, มาขันเนี้ยโอเคแต่ว่าเออรูปขันเนี้ยโอเคแต่นา ม, มาขันนั่นคือเราดูละเอียดมันจะทําให้เรา เราดูถึงมานะได้ใช่ไหมคะเรื่องของจิตของ ต, ตัวเองที่แบบว่ามันไม่ใช่เราเอย่างเงี้ยเพราะอันนี้จะมีปัญหาตรงเนี้ยเรื่องเรื่องมาน ะ, ะก็ยังถือตัวอยู่ว่ายังมีเราเอย่างเงยอือยังมีเราใช่ต้องต้องทำยังไงวะจันดูไปเรื่อยใช่ไหมพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยก็ถ้าถ้ายัางถือตัวอยู่บอกมันบ่กมันไม่มี <c oughs> มันไม่มีตัวมันมีแต่ตัวรู้ค่ะใช่รู้เฉยๆอย่าไปถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นแม่เป็นอะไรเป็นเป็นภรรยาเป็นหมอไป็นอะไรมันเป็นการถึงตัวเป็นสมมุติเริ่มเห็นก็ไม่เห็นมากแล้วว่าอาจารย์ก็เดี๋ยวทําต่อไปคือแล้วถึงเราอยู่กับโลกเราก็ต้องใช้สมมุติเราก็ทําแต่เราไม่ยึดติดกับสมมุติที่อาจารย์เขาเรียกเราเป็นหมอแล้วก็แล้วก็หมอก็หมอนแต่เราไม่ได้ถือว่าเราเป็นหมอ คือดวหมอเนี่มันเป็นแต่ตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่เราสมมุติว่าเรามีอาชีพ น, นี้เขาเรียกหมอก็หมอไปอย่าเขาเรียกอัตมาเป็นพระเขเรียกไปอย่างาเช่แต่เขาไม่เขาต้องไม่ให้ความนับถือว่าเป็นพระเป็นหม อ, เ, หมอเขาเรียกของเขาไปไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนกแสดงว่าเราเรา ถือเป็นตัวนะั้นถือ ว, ว่าเราเป็นหมอแล้วถือว่า เ, าเป็นพยาอันอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหมายถึงถ้าเกิดสมมุติเรากำลังทําอะไรแล้วเกิดคนแบบมันเหมือนกับยังยังเห็นว่าเอ๊ะคนนี้ยังยังเหมือนแทงแก่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือยังอย่างนี้ก็คือแปลว่าเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราดีแบบเขาอะไรอย่างงี้ป่ะคะพระอารย์คอมายถึงพุ่งมาชนเรายังรู้สึกแต่ไม่ได้ไม่ได้มีหงุิดโกรนะแต่ว่ามันยังมีนิดนึงอ่ะมันมีแบบมันมีนิดนึงอย่างเงี้ยมไ่ใชะ ถ้ามีถ้ามีอารมณ์ก็ไม่ได้ต้องค่อยๆลงเอาไปอีกครับอาจารย์ถ้ารู้เฉยๆเข้ามาชนมาชนก็ชนชนแล้วก็ผ่านไปไม่มีอารมณ์รู้แต่ว่ารู้อ่าครับอาจารย์ทำต่อพระอาจารย์เพราตอนนี้มองเห็นทุกอย่างเป็นทางตรงกลมได้หมดเลยพระอาจารย์ทำงานอะไรก็ลดงานลงไปแบบเยอะเลยแล้วก็เหลืองานที่แบบเป็นงานที่ช่วย ช่วยคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าทํางานแล้วตอนนี้แบบดีขึ้นมากเลยคือเป็นโลกเพราะว่าเราไม่ยึดติดเรื่องของความบดีเอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์รู้สึกทํางานได้ดีขึ้นก็โน่นโน่นโเป้าหมายก็คือให้รู้เฉยๆกับกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสให้รับรู้ก็ลูกเฉยๆเลยสักแต่ว่าเราเห็นเงาสักแต่ว่าเห็นได้ยินเงาสักแต่ว่าได้ยินไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้ โอเคนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์คุณอมอมบอกวินชมเยนยามาสการค่ะไม่มีคำถามค่ะ้วขึ้นเข า, มาเมื่อไหร่นะจองไปหนึ่งคืนวันที่สิบเจ็ดสิบแปดค่ะคืนเดียวคือถ้า คืนวันศุดด้วยมันต้องลางานนะคะแต่แต่ถ้าเลิกงานไปห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยคือเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปใช่ไหมคะมันเย็นไปมันวิการอาจจะมไม่สะดวกค่ะคืออย่างต่ําต้องสองคืนใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้กำหนดแต่<ม>แล้วแต่เข า, เ, าเ ข, า, เบบขาให้อยู่ก็โอเคถ้าเขาลาบอกโอเคเขาเขาลาบริบาลกาให้อยู่บร รับค่ะแต่ว่าท่านท่านก็บอกมาว่าเออคือสองคืนจะดีกว่าก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะไปสองคืนคะค่ะก็มัน <c oughs> มันจะได้น้อยกลัวจะเสียเวลาค่พ อ, อกไปถึงปั้มน้อนต้อทันเช่ากลับนะเป็นตลอดก็ <c oughs> ถ้าคืนนึงก็จะปฏิบัติเกือบทั้งคืนอยู่นะคะอาจารยโอเค <c oughs> เพราะว่าเวลามีน้อยต้องรีบกอบกูโอเค <c oughs> อเค่นะ ก็ค่ะก็ตั้งแต่ที่ปฏิบัติมาก็ก้าวหน้าขึ้นอยู่ค่ะแต่ก่อนต้องใช้คําว่ายอมหยุดเย็นตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะค่ะเย็นตลอดเลยนี่ค่ะมันมันมันไม่ค่อยเข้ามาให้เราต้องมายอมหรือว่าหยุดหรือว่าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันเข้ามาทะลุไม่ไม่ค่อยได้ค่ะค่ะเดโอเคนะค่ะขอพระคุณค่ะ คุณเอกเชียงราการว่า ก, การพระอาจารย์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมปฏิบัติมีสัญชิกครับพระอาจารย์เป็ดครังแรกครับที่นั่งได้ประมาณห้าชั่วโมงครับพระอาจารย์อืมันไม่พูบไปก็พอดีสติหมดก็ออกมาเริ่มประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าออกมาประมาณตีหนึ่งครับพระอาจารย์อเห็นเวทนาเกิดขึ้นท่านอยู่ดับไปครับ ก็ใช้สติพุทโธแล้วก็ส่วนอินทรีย์ส่งไปครับนั่งได้นานห้าชั่วโมงครับประมาณห้าชั่วโมงครับอาจารย์ก็วันนี้บุกพระอาจารย์ต่อบุกมาเป็นไรมันกำลังจะหมดไหมมีความสุขไหมก็มีมีความสุขครับอาจารย์ในช่วงต้นครับในช่วงต้นมีความสุขแล้วก็ก็อยู่ไปจนอยู่กับ วทนาพระอาจารย์เวลาจะถามไหมก็ก <pequeña> ็ไ <Kristin> ม่มีอะไรถามเข้ามากับในงานพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับพระอาจารย์มีทาชี้แนะเพิ่มเติมไหมครับพระอาจารย์ครับก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆคิตสหบนั่งนานๆคิดสงบให้เป็นอุเบกขามากๆเวลาสัมผัสทำรูเรื่องอะไรก็ รู้เฉย์ไม่มีอารมณกับสิ่งที่เรารับเลยครับผมครับผมครับผมขอพระอาจารย์ครับขอบขบคุณพระอาจารย์ครับผมคุณยินดีจากกราบเซสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เป็นยังไงจะย้ายจะย้ายที่อยู่ไหรเพราะยังอยู่ี่นี่เป็นเรื่องเเอ่อ อยู่ที่นี่ประมาณสามอาทิตย์แค่ท่านอาจารย์แล้วจากนั้นก็กลับที่ก็คงไปที่แคนซัสค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่เอ็มพอร์เรียค่ะที่ทราบมาค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดสี่จุดที่เดวิดเขาจะดูแต่ดังนั้นบริษัทเขาบอกว่าจุดที่เดวิดเขาจะอยู่ใกล้ที่สุดก็คือเอมพอร์เรียลูกก็เลยต้อง อยู่ในรอดแค้นซึ่นะแอนซาค่ะาอาจารย์ค่ะคือที่ทราบมาก็ทําเนี้ยค่ะน้าอาจารย์และจากนั้นก็ทางฝ่ายบุคคลเขาก็กําลังทํางานอยู่ดังนั้นรายละเอียดก็ยังไม่ได้ค่ะก็ที่ทราบมาก็คือคร่าวๆตามเนี้ยค่ะน่าอาจารย์เดวิดฝากกลับน้าอาจารย์ค่ะแล้วก็วันนี้เข้าไปทํางานแล้ว ขบวนสองเต้เหมือนเดิมนะคะโอเคสาธุคุณมากค่ะท่านชายขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ไม่มีค่ะลูกาวิาโอเคสาธุคุณนาฬิกานาฬิกาบนเป็วนชยการนมัสการพระอาจารย์ค่ะเองไม่มีไม่มีคำถามค่ะวันนี้เข้ามารับฟังอ่อ คำถามจากท่านอื่นค่ะพอลีไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาฟังหลายเดือนแล้วก็ระ ล, ลึกถึงทรงเหลือแต่ว่าก็เนี่ยค่ะพยายามที่จะกลับเข้ามาให้เป็นให้เป็นประจำมากขึ้นอ ย, อยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่ขอนแก่นค่ ะ, อะขอนแก่นนะอ่า ค, ค่ะกับนส<ะ>ัก็ั้เไปเงินไปที่คุณหมอเวลพันธ์จากพิษณุโลก คุมอมาศิริราชใช่ไมครัศิลิราครับอาจารย์ครับมผมจบศิลิราชแล้วไปเทนอานตัดสมองที่รามาที่พอดีครับอาจารย์ราม okay. ได้อยู่สอสถาบันครับก็อ <laughs> <laughs> ย่างภาวนาทุกวันครับอาจารย์แต่ว่ามันก็มีวันที่รู้ตัวดีวันก็รู้ตัวไม่ค่อยดีอยู่ครับอาจารย์อย่างวันอย่างวันนี้ก็ดีครับ <laughs> <laughs> เตินเมืวันก็ไม่แน่นอนบางทีก็มีสติมากเมืวันก็มีสติน้อย ครับผมอย่างวันนี้ อ, อาจารย์ครับผมนักสมาธิเมื่อเช้ า, ช, าชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็ปกติจะลงไปวิ่งนะครับแต่บังเอิญเมื่อเขาเจ็บก็เล ย, <ม> ก, เลยก็เลยเปลี่ยนเป็นโยคะแทนครับ อ, อาจารย์รู้สึกว่าทําโยคะไปครึ่งชั่วโมงนี้ได้สติ ด, ดีเลยครับ อ, อาจารย์แล้วมันก็ค้างอยู่นานเลยครับ<ม>อืเพรายู่ค้ะมันเหมือนกับกําหนดหายใจไปกับการเปลี่ยนท่าทางนนครับ อ, อาจารย์ไ ด, ได้ใช่ไหมครัได้เป็นการข้อคูณความคิดคไปกับระดัานี้ไปคิด สังเกตล้วพอหลังจากทําเสร็จอยู่อีกนานเลยครับอาจารย์เดินอะไรก็รู้ตัวอยู่ไปอีกจนถึงตอนเย็นเนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังควบคุมได้อยู่ครับครับเวลามีสติใจก็จะว่างใ<ม>จเย็นจะสบา ย, าายไม่วุรร่นวายก็ไม่มีอะไรครับเข้ามากราบอาจารย์กลับไม่ได้มีคําถามอะไรครับผมโอเคทราบถึงคุณอาจารย์ครับาอาจารย์สายทิปต่อ อาจารย์จบจากที่ไหนวันนี้สำรวจเนอยาน่จะถามว่ะถ้าจบปอเอกที่มหิดลค่ะคณะเพสั์ค่ะพระอาจารย์เกี่ยวเทพนอมหิดลค่ะตตรีก็เที่ยงใหม่โทรมอคค่ะเตให้คนทุกมหาลัยจะได้เห็นหลายอย่างค่ะค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่บอกว่าไปฝึกสติมา อ่าล้วก็ลองแบบดูลมหายใจอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวเราจะจะดีกว่าที่มีบริกรรมเหมือนแบบมันน่าจะยากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองปรากฏว่าพอตั้งใจมากแล้วมันลมมันโดนอ่าที่จมูกแล้วมันรู้สึกเจ็บค่ะพระอาจารย์เหมือนเราเพ่งมันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเหมือนแบบ วันสัมผัสเรามองแต่ธรรมดาเราหายใจมันก็ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะคราวนี้เหมือนเราแบบ พ, พยายามแล้วมันกับแรงมากก็เล ย, ยรู้สึกแสบค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่เอาดีกว่า <ừ> แล้วก็เลยมาอีติปีโซแล้วก็ดูลมด้วยมันเบาขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าบริกรรมด้วยดีกว่าแบบนี้เราน่าจะเพ่งจ้องมันมากเกินไปค่ะพระอาจารย์ค่ะ แล้วก็วันนี้นั่งคุมสอบนิสิตแล้วก็เห็นเหมือนเห็นตัวเองในอดีตค่ะพระอาจารย์ว่าเอ้ยชีวิตเรามันก็เหมือนเด็กก็คงเหมือนเราใช้ชีวิตไปแล้วก็มีทุกไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเหมือนมันเราก็เด็กสอบแล้วก็ไปพอสอรอสอรในอนาคตก็ก็ดูทุกอยู่ดีค่ะพระอาจารย์ก็นั่งมองแล้วก็เหมือนเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายๆเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ ยอมรับมันได้มากขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อยทุกข์แล้วค่ะพระอาจารย์อะไรจะเกิดก็ก็ไม่ค่อยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อต้านค่ะพระอาจารย์ยอมหยุดเดย็นค่ะยอมหยุดเย็นค่ะเหมือนอะไรจค่ะ ม, มันสิ่งนี้จะผ่านเข้ามาก็ได้จะหายไปก็ได้อะไรเงีาาา้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยอือะไรเงี้ยค่ะอมืมันก็เป็นของมันแหละเราก็ทําไม่ไม่ทุกข์กับมันดีกว่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยสบายขึ้นค่ะพระอาจารย์ อช่เราไปยุ่งของเขาเองอเขากเข า, าก็ เ, าเป็นของเขาอยู่นี้เราไปอยากอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ทุกข์ใช่ค่ะเหมือนอยากให้เขาเอ้ยคนนี้เพื่อนเรานะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดนะอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาเพราะว่าเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็เออก็ปล่อยเขาไปเป็นในสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้ยึดติดก็เลยสบายขึ้นค่ะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เสียใจไม่เสียใจค่ะก็ ก็ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆในในวิธีชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติค่ะเราก็เป็นอนัตตาเขาก็เขาก็คาดหวังอะไรกับเราไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราบางวันเราก็คงทําอะไรให้ไม่ได้ถ้าเกิดเราทําให้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออสบายดีค่ะแต่ว่าสมาธิ ยังไม่ค่อยลึกนะคะพระอาจารย์อาจจะด้วยภาระหน้าที่ลงไปนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ถ้าลึกว่ามันก็จะปล่อยได้มากขึ้นค่ะอยู่ที่อุเบกขากำลัง อ, อุเบกขาถ้า อ, อุเบกขาไม่กำลังมากมันก็จะปล่อยได้มากปล่อยเขาที่ยากได้ง่ายขึ้นอืมต้องต้องพยายามอาจจะ อ, อาจจะด้วยความเราเหมือนเรามีข้ออ้างว่าเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์นั่งไปสักหน่อย พอพอมันลงได้หน่อยๆก็เอ้ยดึกแล้วพรุ่งนี้มีงานนอนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนความตั้งใจไม่ไม่ไม่เท่าไม่เท่าช่วงที่ปิดเทอมค่ะพระอาจารย์ขยันน้อยลงแต่ว่าแต่ก็พยายามรักษาใจอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันพุธจะเป็นวันที่ขยันค่ะเพราะต้งองเจอพระอาจารย์ <laughs> วัน พ, พุธเป็นเด็กดีตั้งแต่เช้าค่ะ ก่อนสีิตลอดเวลานะใช่ค่ะอุ้ยวันนี้มาเจอพระอาจารย์ทําก่อนค่ะแต่จะพยายามค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรักษารักษาใจแล้วก็รักษาสมาธิเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารายงานใหม่ค่ะโอเควันนี้ไม่มีพระอาจารย์นะวันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะอคุณล้อสุดท้ายสเน้อนจบจากที่ไหน มรสการทัานอาจารย์เจ้าค่ะหรือจบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเจ้าค่ะเป็นเป็นไรนะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคณะสัตวแพทย์ค่ะสัตวแพทย์ใชเจ้าค่ะไม่ได้เรียนเฉพาะทางสัตวแพทย์ก็มีเฉพาะทางนะเจ้าค่ะพอแล้วเจ้าค่ะทางโลกมีอะไรไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปนะปฏบัติทุกวันเจ้าค่ะ ก้าวหน้าเลยปล่อยวางได้มากขึ้นนะคิดว่าได้มากขึ้นจังค่ะโอเคเอาไปที่น้โมนโม อ, อยากจะไปจบที่ไหนน้ำประการครับขราจารย์ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันโดยเนื่องดยเนื่องนั่นเองเตอร์ต้องไปต่อเมืองนอกอยากอยู่เมืองไทยครับว่าจารย์ าอาจารย์นี้ก็มีอินเตเยอะนียหลักสูรอินเตร์เยอะเล ย, เรเ ย, เยครับอาจารย์คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับไม่อยากไปหรนะอกนั่งปฏิบัติธรรมไม่กินถึงได้ไงคิดถึงไม่ได้ครับตอนปฏิบททัติธรรมนั่ปฏิบัติธรรมลูกอยู่คนเดียวให้ได้ครับอาจารย์ได้มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครับอาจารย์มา อ, อ่ากาศอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังธรรมค่ะนะ อาจเป็นชีวิตของตอนเองอย่าไปหวังเพื่อพ่อแม่ครับพระอาจารย์อยู่คนเดียวไมได้ถ้าเกิดเขาไมาอยู่กับเราเราจะทาไงครับพระจาได้ค่ะอคโอเคต้องเข้มแข็งนะคัาจา์ได้ครับโอเคกลาขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณสุปัฏนาบอวินกล่าวรมสการพระอาจารย์แล้วค่ะ ก็ตอนนี้เริ่มฝึกพยายามทําสมาธิให้มากขึ้นค่ะตอนนี้มีอยู่วันหนึ่งนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งโดยที่ไม่ไม่หลับแต่ก็หลังจากนั้นมานี่ก็สามสิบนาทีสี่สิบนาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็ยังมีประเภทแบบมันเงียบๆไปน่าจะเป็นการหลับคะพระอาจารย์ก็ก็พยายามตอนนี้พยายามจะฝึกให้ทําสมาธิให้มากขึ้นนะคะ ถ้ามันเป็นสมาธิจริงมันจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดน่าสะทื่นใจว่ามันมีความสุขจังคะมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่เอ่อเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะเริ่มแรกเนี่ยมันเหมือนกับเราเราพอเรามองข้างนอกแต่พอเรานั่งไปนั่งไปมันเหมือนกล้องกล้องโทรศัพท์ที่มันมันมันหมุนมันหมุนอีกหน้าหน้านึงเข้ามานี่มัเริ่มเข้ามารูมหรือเปล่า มันจะเป็นนาทีเดียวมันจะรวมเอ่อมันจะขันมันจะเข้าข้างในก็ค่ะตอนตอนนี้ก็ก็มีความรู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะพรคือคือเราเริ่มร่างเริ่มนั่งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับมันจะมองอยู่ข้างนอกพอนั่งไปสักพักหนึ่งมันมันเหมือนกับมองเข้ามาข้างในแล้วก็จะเป็นเงเงาแต่มันยังไม่สว่างค่ะอาจารย์แต่ก็ยังยังนั่งไปยังยังไม่เงียบมากค่ะ กพยายามฝึกสติให้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะตอนนี้ฝึกสติแล้วก็พยายามนั่งให้มากขึ้นเจ้าค่ะพยายามพยายามนั่งช่วงที่เอพระอาจารย์เทศและบางครั้งก็ไม่มีเสียงเทศก็พยายามพยายามให้มากขึ้นค่ะตอนนี้กําลังเพียรวันนี้ก็เข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะเอาประกาศพระจันทร์มาที่นักเต๋อพัดนัอพัด ทราบน็อกเตอร์ทางไหนจบทางไหนมาการอภิมา ก, ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูจบจิตวิทยาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเจ้าค่ะที่ไหนที่มวาศวประสานนิตยส่งเจ้าค่ะประสานนิตย์ทางค่เจ้าค่ะคือหนูก็ปฏิบัติแล้วเรื่องที่หนูถามรอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าจับลมได้ทางจมูกด้านซ้าย จับได้บ้างไม่ได้บ้างเจ้าค่ะแต่ทีนี้หนูมีมีเรื่องที่จะขอกราบความเมตตาต่อพระอาจารย์ในเรื่องของคือว่าหนูถูกบ่มเพราะทางจิตตะวันตกนะเจ้าค่ะเขาจะมันเหมือนว่าเราถูกบ่มเพราะให้มองออกไปที่จิตของผู้อื่นพฤติกรรมของผู้อื่ น, นหรือข้างนอกอย่างเงี้ยครับจเจ้าค่ะเอะเขาก็ให้เรามาที่เซลล์เวเนตเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันน้อยเตอนนี้เนี่ย คือเวลาหนูอธิบายให้กับแอดไวเซอร์ทราบเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจแต่ว่าเขาก็สนใจในเรื่องของสิ่งที่หนูกำลังปฏิบัติอยู่เ อ, อตอนนี้คือหนูยังเชื่อไม่ได้ว่ามันมันมันไปเชื่อมันอยู่ตรงไหนระหว่างคิตวิวตะวันตกกับพุทธศาสนาซึ่งก็ทราบ ว, ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีความลึกซึ้งเยอะมากเออก็เหมือนกับว่าตัวเองถูกฝึกมาอย่างนั้นหลายปีแล้วก็ถูกเป็น เจ้าเอ่อเป็นเท ร, น, ท ร, น, ทรนเทรนเนอร์มาด้วยเจ้าค่ะเรื่องบุคลิกภาพเรื่องนิสัยอย่างนี้ยเจ้าค่ะก็ก็เลยเอ๊จะจะจัดการกับจิตบางบางอย่างของตัวเองอย่างไรที่ที่มันถ้าเราอ่ะเข้าไปทํางานแล้วเราก็ยังเข้าไปยุ่งกับตรงนั้นแต่ใจราวเนี่ยก็อยากจะมาทางนี้แล้วละ่ะอันนี้เรื่องแรกเจ้าค่ะเราจะมีกุศโลบายให้กับเราอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คือทางพุทธศาสนานี้ สอนให้เราดูจิตของเราก่อน <Okay. S 1> ถ้าเราเข้าใจจิตของเราเราก็จะเข้าใจจิตของคนอื่นว่าเหมือนกัน <Okay. S 1> นี่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรามันใกล้ตัวเราแล้วเราจะเข้าถึง <c oughs> ถึงแก่นของมันได้ถึงตัวมันเลยแต่การเรามองจิตของคนอื่นนี้เร า, ามองเพียงแต่อากาสตริยาที่ออกมาจากข้างในของเขา <Okay. S 1> มันเพ้น เพียงเรียกวศึกษาแบบผิวเผยนถ้าดูคนอื่นใช่จ้ะค่ะแต่ถ้าศึกษาดูของเราเนี่ยมันเข้าไปถึงแก่นยถึงต้นตอของของกิริยาต่างๆที่ที่สแสดงออกมามันมีเหตุอยู่ภายในอยู่ในใจของเราทุกคนใช่ค่ะเหตุท้องที่อยู่ในใจของเราก็คือความคิดปูุงแต่งเนี่ยนะครที่ถูกผลักดันจากอํานาจของความความหลง คือทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องการอะไรต้องการความสุขกันเห็นไหม<ช>ไม่ต้องการความทุกข์เห็นไหมใช่เจ้าค่ะทีนี้ความหลงมันหลอกให้เราไปคิดว่าให้ออกไปหาความสุขภายนอกเหมือนจิตวิทยาที่เขาสอนให้เราไปดูคนคนอื่นไม่ให้ดูตัวเนาะเจ้าค่ะใช่เนี่ยจิตวิทยาทางศาสนาความหลงเนี่ยมันจะหลอกให้เราบอกว่าความสุขอยู่ข้างนอกนะอที่ราภุสระเสริญ อย่างรูปเสียงจิตลถเนี่ต้องไปหาสิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขแต่เขาแต่เขาคิดเพียงมันด้านเดียวด้านของความสุขความจริงมันมีสองด้านลาภและสละเสริญกับ ส, สุขนี่มันไม่เทียมเปลี่ยนได้ใช่ไหม <Okay. S 1> ได้ลาภเจริญลาภเกษมลาภเจริญยอดก็เสริญยด <Okay. S 1> ได้สริมาเสริญม า, เ, มาเดี๋ยวก็กลับเป็นนิทานมาก็ได้ <Okay. S 2> ได้สุขแล้วเดี๋ยวศึกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้อันนี้คือความหลงมันหลอกเราให้เราไปห า, ารความสุขระสีสูงเพื่ อ, อ เ, เพื่อหนีความทุกข์คือความทุกข์ในใจเราเกิดจากการที่เราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอกกันใช่ค่ะแต่ทางศาสนาพูดบอกว่าความจริงความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจเราอยู่ในตัวเรา และวิธีจยทําให้ใจเราสุขก็คือเราต้องฝึกสมาธินั่งนั่งสมาธิหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากพอใจเราสงบเราก็จะเจอความสุขในใจเราอีกทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจนะแล้วการที่เราออกไปหาความสุขภายนอกนี่นเป็นการหาความทุกข์แต่การหาความสุขภายในนี้ได้นเราจะเราจะได้ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด เป็นของเราเป็นของค่ะเราควรจะรับได้เข้าใจถึงกาายของคนต่างๆว่าทําไมเขาต้องการอาการโกรธอาการเกลียดชังอะไรต่างๆก็เพราะความอยากของเขาพอเขาไปเจอในสิ่งที่มันสวนทางกับความอยากของเขาความต้องการของเขาโกรธก็เกลียดเนี่ยอืมใช่เจ้าค่ะวิธีจะแก้ก็คือต้องต้องแก้ที่จิตของของ ของทุกคนเลยต้องสอนให้เขากับเข้ามาหาความสุขจากการทําใจให้สนุกให้ได้แล้วตามศาสนาก็มีวิธีว่าการที่จะเข้ า, าหาความสุขก็คือใช้วิธีการทําทานการรักษาสีการปฏิบัติธรรมภาวนาแล้วพอเราพอเราได้พบกับความสุขเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้หม ปัญหาที่เกิดจากความโกรธความเกยียดความกลัวควาอะไรตา่างๆความเศร้าโศกเสียใจความอะไรตา่างๆเนี่ยมันจะถูกกาจัดไปใช่ค่ะคือตอนนี้หนูก็ต้องเริ่มฝึกใหม่เหมือนกับว่ารีเวลด์กลับคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าถูกสอนมาให้ออกให้ออกไปคือด้วยความรู้ที่เป็นแค่ความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของวิธีคิดรูปแบบต่างๆเนี่ยถูก ถูกสอนในลักษณะของฟิลลโซฟีมาแล้วก็แบบเอสกูลต่างๆมาอย่างนี้เจ้าค่ะพอหนูมาเจออย่างเงี้ยเออหนูก็ต้องเหมือนฝึกย้อนตัวเองกลับมาอีกรอบหนึงเหมือนเจ้าค่ะให้มันลึกขึ้นมากกว่าเดิมเหมือเจ้าค่ะ mm hmm. ก็แต่ในขณะเดียวกันหนูก็ถ้าหนูจะทํางานต่อคือหลังจากที่หนูผ่าตัดสมองมาแล้วสามปีอ่ะตอนเนี้ยหนูก็อยากจะเริ่มมาทํางานหรืออีกทีกหนึ่งเขาอยากจะเข้าศาสนาก็เลยเหมือนครั้งที่แล้วที่หนูค่ะ หนูก็เลยยังคิดว่าเอ๊ะจะยังไงดีเพราะหนูก็ยังอยากจะให้ทานอยู่อทีนี้ก็ถามว่าเข้าศาสนาได้เลยไหมก็ก็ไม่มีพันธะอะไรที่จะเข้าไม่ได้แต่ก็ยังยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหนูเริ่มเบื่อจิตของหนูนที่หนูวัดเองอะ่ะหนูเริ่มเบื่อหน่กับคนที่กับผู้คนแล้วก็กับการไปเทรนนิ่งเมืเจ้าค่ะมันรู้สึกว่า มันไม่รู้เป็นจิตอ ก, กุสแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็พยายามทำอะไรมันง่ายตามที่เขาอยากจะได้เจ้าค่ะหนูต้องต้องตัดสินใจเอาเองว่าอยากจะไปทางไหนอยากจะไปทางเก่าที่หนูเรียนมาก็ได้แต่มันจะไม่แก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของหนงูแล้วก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาของคนอื่นแก้ก็ได้ตัดผิว ผิวเผือกเนี่ยนะไม่ได้เป็นยากที่ต้นต่อของปัญหาใช่ค่ะคือความเกลื่อวิชาเลยโมหะความหมยุดนี่ถ<ช>้าตามใจก็ยังว่าแสวงหาลากเ ส, ส้นเสริมส่งอใจก็จะต้องเครียดจะต้องผิดหวังแล้ว่า จ, จะกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ใช่เจ้าค่ะใช่หนูเจอเยอะมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ด้วยด้วยสภาพทาสังคมตอนเนี้ยคนจะเป็นโรคทางจิตกันเยอะมาก ได้พอเขาไปหาหาสิ่งที่เป็นทุกข์นี่ยเพอะสิ่งที่เขาหาที่เขาที่เเป็นสุขมันเป็นความสุขพรอมเป็นความสุขชั่วคราวก็ค่ะพอมันหมดไปมันหายไปมันก็ทำให้เขาไม่มีความสุขพยายามจะหาหาอีกหาไม่ได้ก็ยิ่งไม่ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งซ้ําเติมไปใหญ่ไงใช่จ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคือหนูต่ตั้งจิตพอจะไหวตั้งจิตอธิษฐานได้ว่า คือณวันใดที่หนูสิ้นลมหายใจอ่ะทรัพย์สินที่หนูมีอ่ะหนูจะคือมีมีผู้จัดการบริโภคแล้วก็ได้ขายณวันณนะวันนั้นที่หนูที่หนูตายอ่ะค่ะเจ้าขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยทําบุญเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในในขณะที่หนูตั้งิตอธิษฐานแบบเนี้ยกับหนูขายแล้วในขณะที่หนูมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อเอา ทรัพย์สินก้อนนี้ทำนุบบรมภูทธศาสนาเนี่ยในเชิงของอา น, นิสงส์เนี่ยมันเหมือนกันไหมเจ้าคะไม่เหมือนหรอกถ้าเราทำเป็นวิ น, นัยกรรมไว้จะไม่ได้ไม่ไม่ได้อ น, นิสงส์อะไรเลยเ <Okay. S 1> พราะเราไม่รู้ว่าเขาไปทำหรือเปล <Okay. S 1> ่าแต่ถ้าเราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ยเราได้ได้อานิสงส์เต็มที่เลยเต็มร้อยเลยเจ้าค่ะต้องทำตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรารับรู้อยู่เพราะผลมันจะเกิดที่ในความรู้สึกของเราเนี่ย พอเราเสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้วใจเราูะสึกโล่งเบาเย็นมีความสุขขึ้มาทันทีแต่ถ้าเราเพียงแต่สั่งเขาไว้แล้วเวลาตายค่อยทำเรลาตายเราไม่รู้ก็ทําหรือเปล่าถึงแม้เขาทำมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ผลอะไรกับใจของเราใส่ไหมครแล้วถ้าหนูงให้ผู้จัดการมรดกเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าเหรอเจ้าคะก็ไม่ก็เหมือนกันนจะเป็นใครก็ตามเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามมันก็ยังเราก็ยังไม่รู้อยู่ดี เขาทําหรือเปล่าถึงแม้ถึงแม้เขาทาเราก็ไม่รู้ว่าเขาทาหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าอยากจะให้มันส่งผลกับจิตใจเราตอนนี้เราต้องทำตอนนี้เลยถ้าเราทํำพได้กรรมก็ยกก็ทําก็ยกให้เข้าไปเลยตังนั้นจะไม่ต้องมาเสียเวลาทำพิธีกรรมให้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราไม่ต้องใช้เงินก่อนนี้เราก็ทํา แต่ถ้าเรายังต้องอาศัยเงินก้อนนี้อยู่เราก็ยังทำไม่ได้ว่าเราไปทําแล้วเดี๋ยวเราไม่มีเราเดือดร้อนเราจะทำยังไงต้องขึ้นตอนนี้หนูก็ฝึกจากค้าไปได้เยอะแล้วเจ้าค่ะอย่างเช่นหนูก็เอาลนไปถวายวัดรถใหม่ๆสองคันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอะไรหนูก็ก็ขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสะสมอริยะทรัพย์ไว้ พอสองครัวแล้วทีนี้หนูอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าหนูจะไปที่วัดพระอาจารย์นะเจ้าค่ะหนูต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางใช่ไหมเจ้าค่ะ <c oughs> ที่วัดเขามีสํนงงานักงานเดี๋ยวให้คุณหาส่งข้อข้อมูลไปให้ <c oughs> เดี๋ยวกวดแชทให้คุณหาส่งข้อมูลไปให้ติดต่อที่วัดเขามีสํนงงานักงานเราสามารถไปเจ้าที่ปฏิบัติธรรมได้เจ้าค่ะ <c oughs> นะอย่างเรื่องการปฏิเรื่องเรื่องเรื่องการปฏิบัติก็เนี่ยนิทางที่ไปสืบความสมบสุขที่แท้จริงไปสู่สภาพจิตใจที่มันคงไม่ไม่ป่วยก็คือทางของทานศีลภาวนาเนี่ยครับ ตอนนี้หนูก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะให้ให้มันพาราเรวไปเจ้าค่ะระหว่างทานศีลภาวนาแล้วก็เระอาจารย์เจ้าค่ะขอถามคําถามอีกคําถามหนึ่งศีลข้อ4ี่เนี่ยเจ้าค่ะเวลาจิตมันไปเร็วมากคือ <c oughs> คือเวลาเห็นสิ่งใดโดยคนหรืออะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมคนเนะ่ยเจ้าค่ะมันจะจิตมันจะชอบวิ่งเข้าไปเพื่อแบบไปเหมือนไปตรวจสอบเขาหรืออะไรด้วยด้วยลักษณะของสิ่งที่ถูกฝึกฝนมาเนี่ยเจ้าค่ะ หนูจะต้องฝึกจิตยังไงเหรอเจ้าค่ะเพื่อให้มันเร็วเพื่อให้ระงับให้เร็วอย่างเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสติไงใจเราไม่มีสติมันก็เลยไปถ้าเราฝึกสติพอมันคิดปุ๊บเรามีมีสตริรู้ทันแล้วก็หยุดมันได้เลย <c oughs> อย่างที่เมื่อกี้มียคนหนึ่งเล่าให้ฟังคนั <c oughs> ่หลังจากที่เขาฝึกสติมานี้ก็เริ่มเห็นเวลาจิตคิดอะไรปุ๊บนี่ก็ารู้ทันอย่างที่ <c oughs> ตอนนี้เราไม่ได้ดูความคิดเราไปดูเขาแล้วต้องใช้สติกลับมาดึงดูเราดูใจเราดูความคิดของเราแทนไม่งันมันมันเจริญสติควบคุมใจอย่าให้เป็นอย่าให้มันไปคิดเรื่องเราต่างๆแล้วต่อไปพอมันเริ่มคิดพวกนี่เราจะเห็นมันทันทีเราจะต้องทันทันทีแต่ตอนนี้มันมันคิดอยู่ตลอดเวลาะใช่ไหมมันเห็นอะไรมันก็คิดของมันไปเรื่อยไปตลอดเวลาเลยนะมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามัน มันมันเป็นของของแปลกแต่ถ้าเราสามารถก็คุมห้ามไม่ให้คิดได้พอมันเริ่มคิดใหม่เราจะเห็นมันทันี้ช่ไหมยามมันฝึกสติตั้งวันและตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยวิธีฝึกสติก็มีหลายวิธีวิธีหนึ่งก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆก็ได้บริกรรพุทโธหรือว่าถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ รางกายกำลังทําอะไรก็ให้มันอยู่กับการทำงานร่างกายเพีอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเรื่องยิ่ต่อไปเวลามันพอมันเริ่มไปคิดเรื่องหนึ่งปั๊บเราจะรูมทันทีว่ามันไปแล้วนะไม่ได้อยู่กับงานแล้วกำลังกินข้าวได้มันอยู่กับการกินข้าวอย่างเดียวพอมันไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องอะไรมันก็จะรู้ทัทีว่าไปแล้วเนี่ยต้องหาฝึกสติให้ได้ก่อนให้มันหยุดคิดให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่เพีอย่างเดียว เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะวันนี้ก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์เพียงเท่านี้เจ้าค่ะสาเจ้าค่ะไปที่คุณแนนต่อแนนยูดอนทานีา ก, นนการาาน้ำพระสการ์พระอาจารย์สวัสดีไม่มีคำถามค่ะโอเคผ่านไปไนดะ้ค่ะสาธุค่ะคุกิติศัก์แซม ครัสักคาัครับพระาอาจารย์ออก็ทำเอามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามครับอาจารย์มาร่วมฟังธรรมครับจบอะไรมาบ้างออจบอ่าเป็นญาตญญาีเป็นยาโทเป็นบริหารธุรกิจครับพาอาจารย์ครับอยากเป็นหมอเหมือนกันครับตอ น, นเด็กๆตอบไม่ได้อไม่ได้โอเคครับไม่เป็นไรเป็นอะไรครับได้ทั้งท่านหน้าห น, น้าครับ โอเคเงิน okay. ไปให้คนดีต่างไปศสีราชามาสักการ์ดอาจารย์เจ้ค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะไม่ไม่ได้เข้ามากล่าวอาจารย์เลยเพราะว่างานมันเยอะมากแล้วก็สุขภาพก็กังวลเยอะนี่จิตตกนเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะอาจารย์ก็ดูแลไปดูแลตามที่เราดูแลได้ <c oughs> ถ้ามันมากถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยไปค่ะก็ต้องคิดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาในที่สุด <c oughs> พวเราทุกคนก็ต้องตายกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นที่จะตายก่อนตายหลยังนั่นเองแล้วค่ะ <c oughs> ใช่ไหมถูกถูกต้องปกติเราเราไม่ได้ไม่ค่อยรู้สึกน้อยใจว่าเราเป็นเราคนเดียวคนไหนก็ไม่เป็นอืม ค่ะก็เป็นเหมือนกันแต่คิวเหมเราเวลาเราไปเข้าคิวรอซื้อของหรืออะไรก็เราเข้าคิวคิวค่คิววันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะค่ะลูกกจบจุฬาเจ้าค่ะอาจารย์จบอะไรท่าไหนจบท่านไหนสทิสติกค่ะสถิติกคณะจุฬาคณะบัญชีเลยตอนนั้นให้ใช้เจ้าค่ะพอดีเขาสังกัดกับบัญชี แต่ว่าก็ก็ก็เรียนก็ไปตัดกับพวกวิศวะหมอโอ้โหเกรดหนูกระตุยกระจายสู้ไม่ได้โอเคจบมาได้ค่ะอาจารย์รักษ า, าธาตุขันนะเจ้าค่ะ yeah. สาธุ yeah. าค่ะคุณสมชายอยู่อเมริกาเพนซิลเวเนีย อีริหรออิริเมืองอรีคอนเสเวนใช่ใช่ครับว่าเมืองอิร่ครับจะในอิรกับเลคออนแทรีโอติด ก, กันกับแคนาดาครับก็เข้ามาร่วมในห้องแล้วก็แล้วก็ฟังอธรรมะจากท่านอาจารย์ครับอืไม่มีอะไรนะเอาไว้ไม่แนะครับวันนี้ก็ พยายามทำตามที่คุณบอยแนะนํามากที่สุดครับเช้านี้ก็นั่งประมาณสักสี่สิบกวนาทีจากจากี D5 ก็ก็นั่งก็พยายามพอดีครับก็ผมก็มาจากฝันแก่นจบเทคนิคฝันแก่นครับนี้จบแก่นไฟฟ้าเทคนิคแล้วก็เข้ามา สามสิบปีก็เข้ามาที่อเมริกาแล้วก็ไปเรียนอยู่อยู่ในรัฐโอไฮโอแล้วก็จบอาโซเชียตอ็นจิเนียร์ครับเอ็นจิเนียร์โซเชียลอ็นจิเนียร์ครับไฟฟ้า okay. yes. ครับไฟฟ้าครั e อิเล็กทริกอลหรือลังรว่าอะไรสักอ่าอิเล็กทริกอลพครับอิเล็กทริกอลพลัครับเราก็จบซีว จากแคฟร์เน oh. uh, mm ีย hmm. อ ain yeah. ain mm ๋อ hmm. ซีโอนจเนียกับอาโซเชียลดีกรีอาจารอ์โซเชียลโซเชียลไม่ใช่แมชเลรไม่จบแเชลอร์ไม่ได้จบบัธเลยนะครับรู้สึกจะทับกันไปสำหรับท่านจะอาไปนี่นะคะอานบเรเนียเราเรียปอริโนบเรเนี แล้วก็มีลกมูกติดต่อด้วยก็เลยสละให้ ล, ลูกเราแก่แล้วนะอายุมากแล้วเล่นเนี่ยทำไม่ ไ, ไหวอโอเคไม่มีอะไรนะครับขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากจอยจอยนี่เป็นแม่ค้าอยู่พัทยาได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินดังดังมาดังดังมา ปัญหาไม่เจอก็อที่จริงมันมันมีทุกวันนะพะอาจาย์แต่ว่าสู้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งปัญหามันอยู่ที่เราอยู่ที่จิเลนเราเราไปยุ่งกับเขาเองเราไปช่วยเขาเราปล่อยเข้าไปย อ, ย, ย, ยอมหยุดเย็นนะยอมหยุดเย็นบางทีก็หยุดได้บางทีก็ไม่ได้เอคิดว่าเราเป็นแจว่าคิดว่าเราเป็นลูกด้องเระ มันทําไมมันเหมือนแบบทำไมอีกจิตมันไม่มันก็ให้ไม่ยอมตลอดเลยก็ไม่รู้ใช่เราจะเราจะเป็นใหญ่กว่าเขาเราะเราใช่ก็หนูควรทํายังไงดีอ๋อก็ต้องทับตัวให้เล็กเขาเลยเป็นแจ๋วเลยเป็นลูกน้องของลูกน้องทุกคนเลยทั้งแฟนทั้งลูกทั้งอะไรยอมยอมแพ้ทั้งหมดเลยถ้ามึงจะเอาอะไรก็เอาไป กมบงบอกม<อ><อ>ึงนั่งมงไม่เชื่อราจบมึงไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรอกอกับคนอื่นเน่ะทําได้นะคะสงสารเมตตาเขาแต่กับทำไมกับกับลูกกับผัวบังทีแบบมันไม่หยอกอ่าเพราะกมากมากก็เลยอยากมากคนนึ่นไม่ค่อยรักอ่ะเขาจะเป็นจะตายก็ไม่เถิดนอนแต่ก็สงสารขเขานะแบบเขาใครขออะไรก็ให้ให้เขาช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่ว่าแต่ทําไมกับลูกกับสางนี่แบบ ทำไมต้าไม่ยอมอยเหมือนแบบเป็นว่าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเนี่ยถ้าอะไรไม่ใช่เป็นของเราเราไม่เคยกังวลใช่ไหมอ๋ออันนี้อย่าไปถือว่าเป็นของเราแล้วอย่างมันแบบมันไม่มีเวลาได้ไปตีวิเวอะไรแบบสงบแบบ อ, อยากไปแต่นังติดคาไ ป, าา ไ, ปไปก็ไปไปก็ไม่สงบครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันไปมันก็ไม่สงบ ต้องรอไปอีกหน่อยใช่ไหมคะตอนนี้ยังต้องเลี้ยงลูกยังแข็งแรยังได้อยู่ก็ฝึกอย่นี้ไปนะฝึแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้รู้ว่าอเกแบบตอนวันวันยังไงไปอยู่คนเดียวมันไปเกิดแบบไนค่ะพอตูกหนูเจออย่างนั้นแหะที่ตางพูดก็ย้อยู่ยุดยันนี้ก็ไดพยายามท่องสามจนี้ไว้แล้วย้อนย้อนอะไรก็ หยุดต่อสู้ใจก็จะเย็นจะทํำอะไรก็ทําลยบอกว่าไม่เชื่อช่วยไม่ได้อืใช่ค่ะบางทีมันก็เหมือนแบบไปกังวลแทนเขาหรือเปล่าประมาน้ใช่ไม่คิดแทนเขาเองไม่ห่วงเขาเองใช่ค่ะเหมือนแบบต<ม>ัวลูกขอไปคอนเสิร์ตเอ้าพัทยามีคอนเสิร์ตใช่ไหมก็มก็กังวลตัวอันตรายแบบกลัวแบบไม่ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ห้ามเข้าไปได้เขาไม่จะไปนี่เนี่ยใมันวัยของเขาอ่ะนะไัยของเข า, ขเขาก็เตรียมคลิกเวลาเข้าไปก็เตรียมจองสราราวาดไว้ก่อนก็ได้อทํ <c oughs> าใจไปก่อนต้องทําใจไว้ปล่อยเข้าไปแล้ว้็ต้องทําใจเดี๋ยวมี่จะเตรียมสารารอแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ก่อนนี้ก็มีข่าวใช่ไหมสองลูกขึ้นรถโรงเรียนเอ่ ไปนอนตายในร้นน่ะนะใช่ค่ะอยู่อยู่ชบุรีด้วยนะคะเอ่มันไม่มีใครรู้เลยจะตายเมื่อไหร่ใช่ค่ะทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันทำให้ดีที่สุดถ้ามันช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดในขีนอย่างนี้แต่ก็แต่ก็เขาพยายามพาไปแบบใส่าบาปพาไปแต่เขาก็ชอบทาบุญกันก็ก็ดีหน่อยกันเออก็ดี ทำไปไหนเขาทำได้กั็ดีเขาทำไม่ไ hmm. ด <ifs> <out> ้ก็อย <expression> ่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจนะโอเคนะเดี๋ยววันวันอาทิตย์ไปใส่บาทนะคะโอเคดีค่ะทุกคุณมาลีเจนวุธากาลกับหลวงพ่อที่หนูขำหลงให้ให้คำแนะนำแบบถึงถึงดีค่ะ อันนี้หนูก็ไม่มีไม่มีอะไรก็ฝุกทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้จะได้เยอะเป็นพิเศษค่ะ5้าชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆอย่<น>างี้ค่ะจนค่ะใจเราเฉยได้มากขึ้นนะค่ะจนมีความรู้สึกว่ามองเห็น หลายๆอย่างมันเป็นภาระไปหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อมันมันมีความสื่อว่าน่าอยากจะทิ้งภาระอะไรอย่างเงี้ยห<ช>ลวงพ่ออาจารย์บอกแม้แต่ขันห้าก็เป็นภาระน่างก<ช>ายก็เป็นภาละต้องเลี้ยงดูมันตลอดใช่ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเหมือนวันนี้เริ่มเริ่มจากหนึ่งไปจนครบสิบแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเริ่มแบบเนี้ยทามันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วแล้วหนูหนูก็เลยมองมองหาที่ที่ว่า เอ๊ะเราควรจะไปอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยหนูเห็นคนเขาไปไปบวชอะคะ่ะเขาไปโควนหัวบวชมันเหมือนติดหนูมันมันพุ่งไปตรงนั้นว่าเมื่อไหร่หนูจะได้ไปตรงนั้นเนี่ยหนูเพราะมันมันคิดแบบเนี้ยมันจะจะถูกไหมอ่ะคะ่ะถู ก, ถ, กถ้าเรามหาที่ไปปฏิบัติเนี่ยถูกแนละ้วหาที่ไปบวชไปอยู่ในปฏิบัติเนี่ยถูกแนละ้วก็คือ คนคนที่เข้ามาโคนหัวบวชเนี่ยเหมือนเหมือนเขาได้กำลังใจจากคนที่อยู่ที่วัดนั่ง น, นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าต้องตัดตัดให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มาทําหน้าที่ตรเนี้ให้ดีที่สุดเห mm hmm. มือนใจหนูมันมีจิตที่มุ่งที่จะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าณนะตอนเนี้ยหนูหนูถึงมองหลายๆอย่างว่ามันเป็นภาระมัดขาหนูเนหมดเลยอะคะ่ะหลงวงพ่อตอนเนี้ยก็น่าจะแบบนี้ แล้วผูกมันแล้วก็ต้องแก้มเราปลูกมันแล้วก็ต้องแก้มหนูก็เลยพอเห็นตรงนั้นหนูก็เลยไปบอกที่บ้านว่าหนูหาที่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยหนูอยากหนูอยากกนหัวเลยหนูไปบอกเขาแบบคือคือหนูแบบถ้าตัดสินใจหนูแบบหนูจะทําเลยเนี่ยค่ะหลวงพอ่อแต่ที่เนี้ยเขาก็ห้ามห้ามกันนะคะ่ะหลวงพอ่อทั้งน้องทั้งแม่อะไรเงี้ยบอกแล้วใครจะดูลูกใครจะอะไรอย่างเงี้ย หนูก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นมีมีสิ่งหนึ่งที่มันฝังอยู่ในใจว่าเนี่ยมันมันเป็นภาระเรานะเราจะไปเราก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพอมุตเจ้าบอกเป็นบ่วงนะเป็นบ่วงมันมัดมัดตลอดเลยค่ะแล้วพอพอมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปหนูจะไปที่เขาอีกอ่ะค่ะเดือนเดือนเดือนหน้าเนี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจที่จะไปอะไรเงี้ยก็พยายามไปไปเรื่อยๆรต่ถ้าต่อไปก็ เขาชินกันแล้วเราต่อไปงทีเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเวลาเราไปจริงๆค่ะหนูก็ตั้งใจเต็มที่เลยค่ะหลวงพ่อเพราะหนูเห็นแล้วมันไม่มีอะไรนะคะที่ทุกวันเนี้ยมันไม่มีอะไรนอกจากที่เราตั้งใจที่จะไปถึงตรงตรงนี้ค่ะหลวงพ่อคิดว่ามันเป็นที่ที่เราควรจะไปให้เร็วที่สุดอ่ะคะหลวงพ่อตานนี้ใ่เพรเราไม่รู้เวลาเราจะหมดเมื่อไหร่นะใช่ใค่ะหลวงพ่อ S 1> <S 1> หนูเลยเพยายามฝึกให้เยอะๆแล้วยิ่งยิ่งนั่งยิ่งปฏิบัติได้เยอะๆเท่าไหร่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงมันมันก้าวขึ้นไปอย่างนี้หนูก็เลยมีความอยากขึ้นมาอีกนะคะบบว่ามันมันน่าจะมีหนทางที่จะไปได้อย่างนี้น <S <S เป้าแรกเป้าหมายกก็คือปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้ค่ะหลวงพ่ วันนี้หนูก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหลวงพอวันนี้หนูมารายงานประมาณนี้โอเคสาธุสาธุค่ะปฏิบัตต่อไปนะค่ะหลวงพอกลับขอบพระคุณนะคะค่ะุถาอะไรทีรัชชาแบบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูมีหนูฟังทำเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์แสดงทำเรื่องของสั่งโยโย่นะคะในในข้อคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการมาลาค่ะซึ่ง ถ้าคําถามหนูควรไม่ควรหนูกราบขออภัยนะคะขอถามพระอาจารย์ให้กระจา่างในการในในส่วนของการมรากะคะ่ะเราเป็นผู้ครองเรือนอยู่เพราะฉะนั้นในหน้าที่ของการเป็นภรรยาซึ่งพระอาจารย์เคยก็เคยสอนแล้วว่าก็ทําให้เหมือนเป็นโสเพณีอ่ะค่ะอย่างีนี้ยในทุกๆครั้งอ่ะหนูก็หนูไม่ชอบอะ่ะเพราะทุกครั้งอเวลาเราจะต้องทําหน้าที่อ่ะเราก็เหมือนแบบโกรธโมโหอะไรยเงี้ยค่ะมันก็จะจะทะเลาะกันทุกครั้ง แล้วก็รู้สึกว่ารังเกียจแต่ช่วงหลังๆมาเราก็รู้สึกว่าเออเมตตาเข้าไปแล้วก็ทุกๆครั้งเวลาหนูหนูต้องปฏิบัติหน้าที่หนูหนูจะมองเห็นเหมือนแบบหลับตาปุ๊บหนูจะเห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดเลย่ะตรงเนี้ยหนูก็เป็นข้อกังวลว่าถ้าหนูยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นแบบผู้คลองเรือนอยู่เนะะี้ยค่ะตอนนี้ก็หนูตํองร่า ง, งัปปิเจนะสุภาพไปก่อน ค่ะอย่างเนี้ยผมหนูก็เมื่อก่อนที่ไว้ผมยาวหนูก็พยายามตัดให้มันสั้นให้มันดูน่าเกียรติขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังต้องต้องแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะจ๊ะคะจริงแต่ว่ารู้สึกว่าเราเราต้องไปบังหน้าที่แล้วมันจะทําให้ให้การมาราคาข้อเนี้ยมันไม่มันไม่ถูกให้ให้มันก็เราจะช่วยช่วยลดการมาราคาของกายเราก็ได้ทําตัวเราอย่าให้มันสวยงามทําให้มันน่าเกลียด ค่ะ ผ, ผมสั้นก็ยังบอกเนี่ยผมสั้นแล้วเขาก็บอกว่ า, าเออเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่หนูก็บอกเขาหนูชอบไม่ต้อ ง, งแต่งหน้าทาปากไม่ต้องอะไรค่ะเพื่อจะได้ลดความไปการไปกระตุ้นนารมณ์เขาด้วยค่ะก็กพยายามข้อนี้อยู่ค่ะแต่ว่าข้ออื่นๆก็เหมือนกับมันค่อยๆได้แล้วพอข้อนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาติดกันที่เราต้องมีครอบครัวเหมือนที่พระอาจารย์บอกมันเป็นบ่วงอะค่ะมันก็เลยเวลามันมันมันไปเจอข้อสอบข้อเนี้ยมันรู้สึกว่ามัน จิตใจมันไม่ค่อยผ่องใสเท่าไหร่เราก็ต้องต้องย้อนกลับไปตอนที่เราไม่ได้บัปฏิบัติทำเราอยู่เข้าได้ยังไงเราก็ต้องกลับไปแบบนั้นก่อนจะได้ไม่อันนี้การพิจารณาพระอัศวบ้ามันเลยทําให้เราเกิดไม่มีอารมณ์ขึ้นมาใช่ค่ะก็ก็ต้อ ง, ต, องต้องให้มันถึงเวลาทันสมัย อันน so ี fort, <ennen> e well, like ้ก็เผาเผาไว้ก่อนก็ได้ค่ะสุภาก็แต่ว่าก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ขอโทษค่ะหนูไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่ต้องพูดเลยนะก็แล้วแต่หนูนะอนูจะพิจารณาก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาทำกิจจะเที่ยทําหน้าที่เมือนแม่บ้านถึงเวลาทํา๋วยเตีวก็ทําไปทำอะไรก็ทําตามหน้าที่ไปเป็นกิริยาแต่ว่าไม่มีอารมณ์แล้วนี่ ขอบคนณคะ่ะแล้วก็แฟนหนูพอดีก็อย่างที่เขาเป็นคนต่างศาสนานะคะล mm. ูกเขาเมื่อเมื่อเร็วๆนี้เขาก็บอกว่าเออทําไมเขาพยายามนั่งสมาธิแบบหนูแต่เขาบอกว่าเขาอะไม่ไม่นิ่งไม่ไม่ใส่เลยหนูก็บอกว่าหนูหนูไม่บอกนะเพราะว่ามันคนละความเชื่อกันเพราะว่าถ้าถ้าบอกไปเดี๋ยวไม่เชื่อแล้วมันจะกลายเป็นเป็นมีปัญหากันเพราะว่าเขาก็บอกว่าทําไมปฏิบัติแล้วหนูยิ่งห่างไปทุกทีเอ่แต่ของเขาว่ามันควรจะแบบ เป็นการให้ความรักกันในในภายใต้อะไรนะคะคิดอ่าใช่บอกเขาเป็นกนงานมันค่อนระดับศาสนาพื้นมีหลายระดับระดับให้รักกันก็มีระดับให้แยกกันก็มีแล้วแต่ระดับเขาบอกว่าหนเห็นแกตัวแต่หนูบอกว่าใช่หนูเห็นแกตัวไม่ต้องไปเถียงกันเขาว่าอะไรก็จะว่าแล้วปล่อยเขาว่าไปอย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาให้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาทิ้งเฉยไปเขาไม่เข้าใจ้เรา ก็ไม่เข้าใจเรจะพยายามทำข้อนนี้คะ่ะคือถ้าหลุดตรงนี้ไปได้น่าจะปฏิบัติได้ได้ไกลขึ้นถ้ายังอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคคุณสุภัตราเจ้าคุณสุภัตราอ่างดัลลัสเท็เทเทาากซักลับน้มาสการอาจกการย์จุกค่ะวันยังไงวันนี้ลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะ เอ๊แต่ถามถามข้อนึงดีกว่าเจ้าค่ะเปดูกัคือลูกอยากทราบว่าอไม่รู้ว่าการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นมานะหรือเปล่าอ่ะเจ้าค่ะคือลูกแบบคือถ้าใครเขาบอกว่าจะมาแบบคือลูกจะชอบพูดกันเอาไว้เลยว่าเอตอนเนี้ยเรากําลังศึกษาแล้วก็เดินทางภายในอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คืออยากคือไม่ได้ว่า พูดเพื่อที่จะทุกคนจะเราหันปฏิบัติธรรมแต่พูดเพื่ออยากจะจะให้เข้าใจว่าเราไม่อยากได้งานอะไรเราไม่อยากทํางานหรือไม่ต้องการอะไรไม่รู้ว่าการพูดกันแบบเนี้ยเป็นการส่งเสริมตัวมานะตัวเองคปล่าเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่หรอกมันเป็นเรื่องเหตุของเรื่องเหตุเรื่องผลทำไมเราถึงทำอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมานะพยายางเลย เจ้าค่ะแกรงว่าเดี๋ยวเจ้าว่าอวดว่าแบบเอ๊ะมาเดอมาทางปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้ก็เลยแบบเเอป็นบามเยเราพูดความจริงเราทำปฏิบัติธรรมทำก็เป็นงานชนิดหนึ่งเมื่อเราทํางานชนิดนี้เราก็ไม่สามารถไปรับงานชนิดอื่นได้แค่ท่านั้นเอง เจ้าค่ะเพราพยายามกั้นเจ้าค่ะกั้นไม่อยากให้มีงานเข้ามานอกจากการดีเลยต้องใช้คํานี้มากั้นก่อนเจ้าค่ะเพราะเรามีงานของเราไงเราไม่งานของเราเราก็ไปรับงานแบบแบบแบบเก่าไม่ได้เพราะงานแบบเก่าเราไม่มันมันไม่ได้เป็นงานที่เราอยากจะทนะํนานะเราไปง่ายๆ โอเคก็ค่ะงั้นลูกก็ใช้คํานี้กันไว้ก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเพราะตอนแรกลูกก็เอ๊พูดไปกลัวจะส่งเสริมตัวเองมานะตัวเองว่าแบบอวดตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบตอนพูด่าฉันฉันตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาที่ฉันดีกับเธอเยอะยะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนัเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะโอเคคุณชลินทอนกลับถึงเมกาแล้วเหรอ กลับถึงล็อกคาพระจานทร์กลับนมัสการใช่ะหมก็ถึงไม่กี่วันมาได้เองนะสองวเพิ่งจะมาถึงเมื่อวันมาถึงที่นี่วันอาทิตย์น่ะค่ะแล้วก็วันจันทร์ก็เริ่มทํางานเลยแต่ยูงก็ยังนอนนอนหกโมงเย็นตื่นตีหนึ่งยังตัดไม่ไไม่ได้ยังลงมาทํากับข้าวแต่เช้าเลยค่ะแล้วทํางานที่บ้านเนื้อเนือต้องไปที่ทําที่สำนักงานอัน ก็ตอนนี้ก็ยังทํางานที่บ้านอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มเริ่มบอกให้ว่าอีกสองอาทิตย์ให้เริ่มเข้าไปที่ออฟฟิศได้แล้วอะค่ะเพราะว่าที่นี่มันทุกอย่างเป็นปกติกันไปหมดแล้วเดียมก็สังเกตไม่มีใครเข้าใส่หน้ากากไหมใช่ไหมไม่มีใส่ไมครไม่ไม่ละค่ะแม้กระทั่งที่โรงเรียนก็ไม่ใส่แล้วค่ะก็แต่ว่าลูกโยมก็ยังใส่ไปอยู่อันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้บังคับแต่เขาก็มถามอาจารย์ค่ะก็กลับมาคราวนี้โยมก็รู้สึกว่า มันสงบกว่าอยู่เมืองไทยนิดนึงค่ะเหมือนเหมือนเมืองไทยวุ่นวายอะค่ะอาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าพอไปเจอครอบครัวแล้วทุกคนก็อยากจะให้เราไปทําอันนั้นอันน้นอันนี้ด้วยใช่ใช่ทำง า, าแล้วแล้วโยมก็ไม่อยากจะให้ลูกโยมอยู่เฉยๆว่างๆเวลาที่โยมเลิกงานก็รีบพาเขาไปทํานั่นทํำนู้นทำนี้นนนนจนกระทั่งกลับมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย แต่พอจะมาปฏิบัติก็เริ่มรู้สึกว่าเอยมันแต่ก่อนเราปฏิบัติได้ยังไงทําไมตอนนี้เราไม่ได้เลยมันไม่ค่อยสงบเลยค่ะพอาจารย์พราะที่มันไปเชื่อข่าวมันไปยุ่กับเรื่องสังคมมากไึค่ะมันมันเห็นความแตกต่างค่ะพระอาจารย์ว่าลูกโยมเขามีความสุขมากที่อยู่เมืองไทยที่เขามีกิ จ, จกรรมมาก ม, มายมีญาติเขาบอกว่าเขารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการว่า เขาได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวแต่พอที่นี่มันมันเงียบมันแต่โยมมีความประแต่โยมชอบแบบนี้มันก็ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างตัวโยมกับตัวลูกแล้วก็เกิดคอนฟ l ก c t ว่าเอ้าวแล้วยังงี้อนาคตเราจะทํำยังไงเพราะว่าเราถึงเราอยู่เมืองไทยเราก็เวลาเรามีวันหยุดเราก็อยากจะไปวัดแต่ว่าครอบครัวเราก็อยากให้เราไปทํากิจกรรมด้วยเราก็ส่งลูกไปเป็นตัวแทนได้ แต่แต่ตอนนี้ยมก็กลับมาปฏิบัติเริ่มปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งอ่ะค่ะเริ่มจริงๆอยู่ที่ใหนก็ปฏิบัติแต่มันรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วมันก็เลยไม่สามารถทําได้เต็มที่อะค่ะแล้วก็ต่อไปช่วงปรับตัวต่อไปก็ปรับตัวเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ค่อยๆเริ่มกลับไปอีกรอบนึ่งอะค่ะก็ดีค่ะนลกจานั้นก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ แต่กคุณจิ๊บมีอย่างอ๋จิ๊บอยู่ในจอนี้นะเดี๋ยวคงได้เจอเดี๋ยวถึงิวจิ๊บเองตอนนี้ไม่ค่ะค่ะค่ะยมก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระจารย์กับขอบพระคุณพระยินดีที่ได้เจอครังนค่ะพระจารย์โอเคุคุณเวมีก้าวเองยังยืนไหมคุณเวทมีก้าวเองนี่สนี่ไห ไม่เป็นก้าวเองดับตาอยู่นะนั่งสมาธิขอข้ามไปก่อนนะได<ส>้ยินไหมอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าเปิดไหมถ้าอยากจะพูดต้องเปิดไหมก่อนอ่างั้นฟังไปก่อนแล้วกันนะถ้าไม่พูดนี่ไม่พูดจะจะได้ไปที่ท่านต่อไปได้อ่าไปที่พลธนพลเฉยคุทธนาพล การนมัสการครับอาจารย์ไม่มีคําถามครับมามากราบอาจารา์ครับแต่ว่าเผอิญเมื่อสักครู่นี้ได้ยินคุณสุพัชชาพูดถึงเรื่องมานะเอ่อถ้าในส่วนของมานะเนี่ยเราใช้อะไรที่จะเป็นตัวกํากับเขาไว้อ่ะครับกับมานะเนี่ยก็ถือตัวเราว่าแก่งกับเขาดีกว่าเขาเท่าเขาด้อยกว่าเขาทําย่างนี้อ๋อก็เอาก็คือคือลด ลดอัตราตัวเองลงมาให้ให้เป็นแจ๋วรั้งหมดเนื่ยให้เป็นแจ๋วไปครับโอเคอัน <Okay. S 2> นี้การเป็นแจ๋วก็ยังถือว่าเป็นอัตราตัวตวนอยู่มั่นเองต้องทําให้เป็นตัดตัวรู้เฉยๆเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปมันมันถ่ายรูปทุกชนิดคนจะชมมันจะด่ามันจะอะไรมันมันก็ถ่ายหมดมัอนอย่ยงพลาจติกว่าเป็นดินใช่ไหมครับก<อ>็คือกําป คือเป็นตัวรู้เป็นผูรู้รู้เฉยๆรับรู้แต่ไม่มีการอถือว่าเราเป็นนุ่นเป็นนกับเราเป็นผู้รู้เฉยๆจริงๆก็เป็นอุบัติอุอุบัติขานหนึ่งเหมือนกันก็มันกลายเป็นอุบัขาถ้าไม่เป็นอุบัตขาก็จะรู้เฉยๆนะแต่ว่าเรู้ไม่ได้บางทีเราก็รู้นะฮะบางทีเรารู้ตัวว่าเราเออโอเคอันนี้มันเป็นมะระขึ้นมาแล้วนะเราก็ถอยลงมานิดนึงอะไอ เขาพยายามให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ครับครับก็ไม่มีคำถามครับราอาจารย์ครับขอบคุณ <ไป S 2> ชนยนิตชนยนิตเชิญชยนิตกลาวธรรมสั ก, การพระอาจารย์จ้าค่ะพอดีอ่าในจะถามว่าคือที่พระอาจารย์สั่งสอนมาบอกมาตลอดก็คือ ลดอัตราตัวตนยาส่งจิตออกไปภายนอกอันนี้คือเป็นการลดกิเลสแบบละเอียดใช่ไหมเจ้าคะมันก็จะละเอียดได้อย่าไม่สำคัญก็มันก็เป็นตัวสำคัญตัวที่จะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับเราถ้าเราเป็นถือตัวบวชเก่งบวชดีไปอยู่กับใครก็จะลำบากแต่ถ้าเราทาตัวอ่อนน้ำำําถ่อตนนี้าอยู่ที่ไหนกับใครก็สบาย เขารับเราได้ไม่มีใครชอบคนอวดเก่งอวดดีใช่ไหมชอบเนบงชอบคนอ่นน้อมตอนันจริงๆรู้สึกโชคดีมากเลยนะเจ้าค่ะที่เจอพระอาจารย์ที่แบบว่าลดอัตราตัวตนนะเราอย่าถือว่าเราเก่งกว่าเขาหรือเท่าเขาให้เรามองว่าเราเป็นแจวแล้วทีนี้มันจะมีอารมณ์อีกแบบหนึ่งอะเจ้าค่ะก็คือมัน มันจะรู้สึกอารมณ์ร um ู้สึกไม่มีประโยชน์อะเจ้าค่ะมันก็จะแบบว่ามันลดลงไปมันไม่ได้อยู่กลางเลยเจ้าค่ะมันจะลงไปต่ําเลยอเจ้าค่ะก็คือคําว่าต่ำนี่ก็คือหมายถึงว่าเราไม่ไปแข่งขังนกับใครในเรื่องในเรื่องการการเป็นยุ่งเป็นนี่แต่ความสามารถความอะไรของเรานี่มันก็ไม่ได้มันไม่มันไม่มไมไ ด, มไมได้มันไม่ได้เป็นแฉวเข้าใจ เข้าใจแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีสองแบบอะค่ะเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือว่าเหมือนกับพอเราปฏิบัติทำมันจะมีสองอารมณ์เจ้าค่ะก็คือมันจะมีสุขและมีทุกเจ้าค่ะเออไม่ไม่ไหนเจอทั้งสองอันคือตอนนี้เจอสุขแล้วมันพออีกวันหนึ่งก็จะมีเหมือนกับ หน่อยไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงทุกเจ้าค่ะแต่ทั้งทั้งที่เราก็อะไรอะไรเนี้ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเจ้าค่ะเะก็ไม่รู้ก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจไปแล้วเนะ่ยสุขก็ชั่อข่าวทุกข์ก็ชื่วค่าวสลับกันไปสลับกันมาพัฒนเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอยู่ในโลกของอนิจจไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีสุขก็มีทุกข์ มีเจริญก็มีเสือ่อมไม่ได้ก็มีเสว่อมเราลองนี้ให้คิดกันโรคกระทำแปดใช่ไหมค ะ, ะโรคกระทำแปดลาบยศรเสารส์ศพแล้วก็ทุกบเสียมลาบเสียมยศนินทาทุบอืมเจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่พอพิจารณารู้สึกตัวก็จะหายเจ้าค่ะพระจามเพราะว่าเราเราไม่ไปยึดจมันงถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไปยึด ใคยสุขก็อยากได้มันสุขตอพอมันทุกข์ก็เลยก็เลยไม่ไม่สบายใจค่ะคือพารณาเรื่อปัญญาแล้วว่าอ๋มันเป็นเรื่องธรรมดาสุขก็หมดหน้าทุกข์ก็สุขก็ทุกข์ก็มาได้สุขก็มาได้ถัดกันไปถัดกันมามันก็เฉยเฉยไปยอมรับเหมือนกันละล่ดินฟ้าอากาศตอนนี้ก็ตอบเนยว่าแดดก็ออกอะไรทำนองนี้จัะค่ะอืม ก็ใชค่ะแล้วก็มีคําถามพระอาจารย์เวลาสวดมนต์นะคะ่ะเลี๋วขอไปขอหน้าพระอาจารย์หน่อยจะคะนน่ะขออะไรเวลาสวดมนต์ไม่ไม่ใครขอจ้าค่ะคือพอจะดึงจิตมาจดจ่อกับคําสวดมนต์แต่จิตจะช้ามากเลยเจ้าค่ะแล้วคําสวดมนต์เราจะเร็วกว่าแล้วทีนี้แล้วทําไมเวลาเราคิดสมมติว่า หน่อยคิดถึงวัดยาอเนี้ยแค่นี้แค่คิดก็ไปแล้วทาไมแบบนี้เร็วกว่าเจ้าค่ะไม่เข้าใจมือนกัไม่เข้าใจคว า, ามหมายว่าอะไรไปอะไร อ, อะไรเร็วอะไรช้ า, <อ>ามันตัวเดียวกันตัวคีดกับตัวจิตนึี้ก็กันก็ ไ, ไปด้วยกันอยู่แล้วใช่เจ้าค่ะแต่ว่าคือเหมือนดึงมาสวดมนต์ให้อยู่กับคําว่านโมาตสาพระคำว่โตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะจะช้ามากช้ากว่า ปากที่เราพูดไปจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ปากมันออกมาจากใจใจน้ําสั่งมันมันถึง้ะออกมาได้คุณหมายถึงตัวสติมันที่ช้าช้ากว่าตัว<อ>ความคิดมันทํามคิดมันไปเร็วกว่าตัวสติตัวลมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าตอนไหนก็เข้าใจว่าเป็นเป็นตัวจิตที่ตามไม่ทันไม่ใช่ตัวสติตามตัวจิตยังไม่ทัน ถ้าอย่างนี้ต้องช้าลงใช่ไหมเจ้าคะก็คือเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธท่อพุโทโธพุโทพโธ ใ, ในใจไปเรื่อยๆเราไปสติกับความคิดมันก็จะมันก็จะทันกันเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าถือสินแปดดื่มน้ํามะเขือเทศหรือน้ําผลไม้ได้ไหมเจ้าค่ะช่วงถือว่าเป็นอาหารไหมเจ้าค่ะ คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เดินพวกหน้าผั่อกมาได้เจ้าค่ะก็สิ่งแต่พวกข้อหกข้อหกก็คือไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการที่เราไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันก็คือช่วยให้เราอ่านน้อยไม่ง่วงไม่ขี้เกียจ ถ้ากินมากมันขี้เกียจมันจะไม่อยากนั่งสมาธินั่งสมาธิมันก็จะหลับเจ้าค่ะมันเลยลดการกินให้มันน้อยลงเหตุผลคืออย่างนี้คือพอดีไหนก็นั่งคิดอยู่ว่าถ้าเราแต่ว่าก็จริงอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือว่าถ้ากินอิ่มมากๆมันนั่งสมาธิก็จะอืมคงเคงคงเคงตกหล่นตกน้ําตาหย่อนนั่นเองค่ะตกหลุมตกบ่อเจ้าค่ะ พระอาจารย์เจ้าค่ะหน่อยขอประวัลนาถ้าพระอาจารย์มีธุระอะไรหรือว่าจะใช้อะไรเกี่ยวกับกิจที่พระอาจารย์บอกหน่อยได้เลยนะเจ้าคะ okay. า่ะโอเคนะครับโยมธนาบอกได้ทุกอย่างเลยเจ้ค่ะ <Okay. S 2> เปลี่ยนหลอดฟลุกหลอดไฟอะไรก็ได้โอเคค่ะไม่มีค่ะไม่มีมมใช่ไหมเจ้าค่ะโอเค เดินไปที่ท่านต่อบไปนะคุณมาริสาเด็กวิทคุณมาริสาอยู่ที่ไหนอภรรษการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนไม่เทิงเมืองเราอยู่ North Carolina, อนอร์ทแคโรไลนาอเมริก า, าเป็นพยาบาลค่ะก็ที่พระที่คราวที่แล้วส่งกันบ้านพระอาจารย์ค่ะ แล้วก็ได้ล้านิมิตดวงสว่างนั้นแล้วก็เข้าสู่ความสงบอ่าค่ะก็นิ่งแล้วก็ดูลมหายใจระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนก็คือจะดูลมหายใจหายใจเข้าออกเวลาทำอะไรก็เวลาทอะไรก็ดูลมอยู่นะใช่เจ้าค่ะอ่าดูได้วันค้างเวลาทำงานเราเผลอไปคิดก็ กลับมาดูลมหายใจมันก็ทําให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะดูลมหายใจตามที่พระอาจารย์แนะนําค่ะบางิงดูลมนี่เราแนะนาให้ดูแต่เฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิมากกว่าะเวลาไม่นั่งสมาธิดูดูงานที่เราทําอยู่ีค่ะเว่าร่างการเรามันทําะไรงั้นเดี๋ยวดูลมในงานที่เราทํำมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ต้องดูงานที่เราทําโยม บงทีตอนทําคอมพิวเตอร์แล้วก็ตอนที่คนไข้หลับเพราะว่าโยมทํางานเป็นพยาบาลกะกลางคืนค่ะอาจารย์อันนี้พอคนไข้หลับปุ๊บเราก็มีเวลาที่เราอยู่หน้าเคาน์เตอร์ตอนนี้คนไข้โทรเข้ามาเราตกงานช่วงนั้นเวลาห้านาทีแล้วก็ค่ะเราก็จะแบบเหมือนนั่งสมาธินิดนึงได้ได้แต่เวลาทำงานแล้วเราต้องยิงมาเพราะว่าอย่าไปดูค่ะใช่ค่เวลาคนไข้เรียกเราก็ ดูเวลาเดินแล้วก็เห็นตัวเองเดินตัวมีสติอยู่กับการทํางานเดินใช่ใช่อย่าไปอย่าไปดูนอนหรืออะไรถูกต้อค่ะท่านดูตอนว่างค่ะแล้วเป็นงานใจเย็นขึ้นไหมสงบขึ้นไหมสงบขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากเลยค่ะนิมิตก็ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์อ่าดังนั้นน้าสัาธิถ้ามีสติถ้าไม่มีสติเนี่ยมันชอบไปมีนิมิตโผก่ขึ้นมาให้เรา โยงะค่ะค่ะมีอะไรคะริๆคราวนี้ก็ดีขึ้นตั้งแต่พระอาจารย์แนะนำก็ดีขึ้นเลยค่ะในมิก็ไม่มาแล้วมีแล้วก็ดูลมหายใจไปอยู่เมริกานะอยู่มาได้สิบหกปีแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นปราจบมอะไรจบมหาลัยเรสวนเปียตรีแล้วก็มาต่อเปียตรีที่ East Carolina University ที่นี่เป็น ต่อด้านพยาบาลที่นี่ค่ะจพยาบาลนะใช่เก็ค่ะก็ก็รับงานที่ลงพยาากับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยบ้างก็กลับไปเมื่อห้าปีตอนคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะก็กลับไปดูแลพยาบาลท่านจนท่านเสียชีวิตนะคะก็ดูแลเออท่านไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นระยะสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ ก็เลยเอาบ้านเป็นเพลาทีฟแคร์ก็เราเอาบ้านเป็นฮอสปิตค่ะก็ทำเป็นเตียงพยาบาลแล้วก็เราก็ดูแลแม่เองเลยค่ะโอเคได้<อ>ได้ตอบแทนเป็นคนนะหมว่าล่าสุดใช่ยใช่ค่ ะ, คะเราจะใช้ที่เราเรียนมาตอบแทนท่านดีมากดีมากสาธุาขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะ กลับไปที่คุณเวนมีครคุณเวนมีไม่ทราบอยากจะพูอะไรหรือเปล่าคุณเวนดีถ้าอยากจะพูดกระพูดได้นะบทใหม่แล้วก็พูดถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ไปต่อนะหรือจะหาว่ า, าวคาบเขาเงียครับอาจารย์เงียนะเงียง่ายไปที่คุณจิบต่อจิบง่าย เจ อ, อคนจริง ท, <า>ท<า>้องอกังเจอคนที่ยังเจอสักคนท้องหรือยั ง, งยั ง, ยงไมีได้เจอเลยค่ะโยมสมควรที่จะไปรับเขาวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่โยมก็ด้วยความที่มีสติหรือไม่มีสติไม่รู้แต่โยมก็ไปรับเขาผิดวันเ <ไป S 1> ขา<อ>จะมา <ไป S 2> ถึงวันอาทิตย์ใช่ค่ะโยมไปถึงจะถึงสนามบินแล้วโยมก็แบบไปดูตารางเครื่องเขาลงปรพาพอดะ ดูนึกว่าวันสาวเพราะว่าเขาบอกเขาออกวันสาวยมก็เข้าใจว่าเออสาวเมษธือไทก็คือสาว์เมกาวันอาทวันเสาวใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> ยมก็ไปถึงแล้วก็ดูอ้าปรากฏเพื่อนมาวันอาทิตย์ก็เลยต้องแบบเออจัดการยมกว่าเออทำไมยังไม่มีสติเนอว น, น่าจะดูให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นที่เขาจะขับไงคะ <Yeah. S 2> ก็เลยแบบเออผิดวันก <Yeah. S 2> ็เลยไม่เป็นไร <Yeah. S 2> ก็เลยจัดการเรียบร้อยแล้วคะ่ะยังไว้ได้เจอเลยคะ่ะพระอาจารย์กะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสาร์าทิต์นี้มันมันสามวั น, นะคะ่ะถ้าถ้าสุรินทร์ทอมไม่มีอะไรก็อาจจะได้เจอกันนะคะอาจารย์โอเคค่ะก็ไม่มีค่ะโยมก็รู้สึกว่าโยมก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นทํางานก็ก็จดจ่อกับงานแต่ว่าก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคหรือว่าขับรถอะไรอย่างนี้ก็ทํานะคะ mm. มันเลนรู้สึกว่าพอเมืมอว่นว า, วาลูกกลับมาจากบ้านคุณพ่อเขาโยมรู้สึกว่า จิตใจโยมมันเย็นขึ้นแล้วก็เวลาเราคุยกับลูกมันเหมือนมันเหมือนนิ่งแล้วก็สงบมากเลยอะค่ะแล้วรู้สึกว่าลูกก็ใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันช่วยได้ก็พยายามสอนลูกเมื่อคืนก็ให้เขาสวดมนต์นั่งแบบหลับตาสมาธิไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะฝึกให้ให้มากขึ้นอดเข้าแล้วรู้สึกว่ามันง่วงน้อยลงจริงอะพระอาจารย์มันมันช่วยได้จริงค่ะ S <S ช่วยได้ไหลอย่าง <S <S <S <S น้ำหนักก็ลดลงด้วยลูกพายแค่เจ็ดก็น้อยลงด้วยรูนสึกมันไม่ค่อยนจอยอิสติแล้วอะค่ะเพจาะจัไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็คืออาหารเวลาเรากินเนศ้สัต ร, ร์เราก็รู้สึกเห็นภาพแบบมีเขาโดนฆ่าโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลดลดลงไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะดค่ะกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินนะกินเพื่อย่ยยาร่างกาย ค่ะเมื่อก่อนจะใช้คํานี้ตลอดเลยชีวิตนี้เราอยู่เพื่อกินอะไรเปีนี้เราก็บเออชีวิตนี้เราอยู่เพื่อสร้างคุณสร้างคุสนิดกว่าใช่กินเพื่ออยู่ค่ะวันนี้ยัไม่มีอะไรอะค่ะอาจารย์แค่มานั่งฟังเพื่อนๆแล้วก็ได้ได้กล่าวอาจารย์ก็ปลื้มปิติแล้วค่ะค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะค่ะคุณน <Okay. S 1> oh, okay. uh, ี mm ้ค hmm. okay. uh, so ุณนินต่อคุณนินจะพัทยาใช่คุนี้ เปิไมค์ก่อนนะพ <c oughs> ูดได้ยังคนเองอันวิวโอเคพูดได้นะ อ, อ่ะปิดอีกแล้วโอเคอ่ะพูดได้นะแต่มัตรกราระอาจารนเนี่ยค่ะอืม <c oughs> คีะค อ, อะไรมีอะไรไหมค่ะก็คือคือตอนนี้ยังรู้สึกว่า เ อ, อบางทีเนี่ยก็ขาดสติบ้างนะค่ะพระอาจารย์ในเรื่องของที่เราได้ยินอย่างเช่นเรื่องหมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะดึงดึงสติกลับมานั่นหมายถึงว่าเอเราเรายังมีกิเลสหรือว่าเรายังมีเอ อ, อะไรครับสติเรา อ, ย, ย, อ, ย, อยังน้อ ย, ยไปสติเราอย่างน้อยไม่น้อยไปขาดขาดหายหายสติเราขาดขาดหายหาย ต้อ ง, งพยายามฝึกสติให้มากขึ้นค่ะค่ะพระอาจารย์คือพอเวลาที่มันเป็นแบบนี้ก็พยายามจะดึงสติกลับมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธ เ, เร็วเร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นเพราะว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ามันไอ้นี่ก็คือให้เร่งเอาเร็วเร็วขึ้นแล้วก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคืออันนี้หมายถึงว่าเราพยายาม หมายถึงว่าพยายามตั้งสติใช่ไหมคะอาจารย์ใช่พยายามดึงสติตั้งสติขึ้นมาใหม่จริญสติสติเราหายไปเราต้องจเจริญขึ้นมาใหม่ค่ะเมื่อเราได้ยินหรือว่าได้ฟังอะไรที่ไม่พอใจคือก็มีอารมณ์นะคะแบบพุบขึ้นมานิดนึงแล้วพยายามรีบดึงสติอ่ะหมายถึงว่าอันนี้เรายังจับตัวสติของเราได้อยู่ใช่ไหมครับะอาจารย์ก็ มันมันแบบแา่ว่ามันยังยังยังช้ากว่าตัวเหตุการณ์ต่างยังยังช้ากว่าความคิดหรือเปล่าคะอาจารย์ยังช้ายังช้ากว่าความคิดอยู่ถ้าสติมันแล้วมันพอมันคิดปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีเลยพอจะเริ่มคิดก็จะรู้แลอวอ๋อค่ะอาจารย์เอ่อคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีสติอยู่ อยู่ณัดจุดที่เราทําตรงนั้นเหมือนกับว่ากังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็เป็นเออใจอยากจะไปทําแบบนี้่ะใช่รอยค่ะใช่รอยไปแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์อันนี้ก็คือว่าต้องต้องฝึกใช่ไหมครับที่จะต้องหนึ่พโทโทไปเรื่อยๆพูดโทไปเรื่อยอ๋อโทไปเรื่อยๆเออเนื้อมันอยู่ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ก็ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ ได้ได้ยินได้ฟังจากคนอื่นหลายเรื่องก็มีเท่านี้นะคะก็ได้ได้ได้ไดเยอะแล้วค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะถามก็จะดูแลหมาต่อไปนะคะอาจารย์แล้วก็ดูแลใจเราเันด้วยใจเรอยา่าไปวุ่นวายกับอะไรก็แค่ะรู้สึกว่ามันมันอารมณ์มันสงสารอารมณ์มันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมาวนเยอะมากมากๆเลยค่ะอาจารย์เหมือนเมืกี้เราก็เห่าหอนแล้วก็เออ โอเคก็ผมเนี่ยเกิดแก่เจ like er on ็บตาเนี่ยเกิดมาต้องทำานมัเจ็บต้องตาด้วยกันทุกคนค่ะค่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเห็นร่างกายของตัวเองด้วยนะคะพระอาจารย์ต่อไปแล้วก็เป็นเหมือนเขาใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ขอบคุณเค้ามากๆเลยนะครับอาจารย์สาธุอ่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะขอให้ประทา อของอาจอารยา์เล้งเลงค่ะอาจารยที่นี้เป็นโค้งตาพินแพงขัดรับสมการครับอาจารย์ครับผม<ะ>ูคร<ม>ับ ม, มีครับอาจารย์ครับมี ม, มีมีเรื่องอย่ากสงสัยครับผม <anc> คือการที่เราเนี่ยเริ่มอยากที่จะดูแลตัวเองทําให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีมีผนที่ดีเนี่ยคือผมเองก็ตั้งใจที่จะทําการล่าสังโยชนนะครับคือไม่คิดว่าแบบไม่ห่วังร่างกายเราแบบเนี้ยครับมันถือว่าเป็นการขัดกันไหมครับอาจารย์ ไม่เราก็หน้าที่อันหนึ่งเราก็ต้องดูแลร่างกายให้มันอยู่เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันก็เป็นหน้าที่เ แ, <ต>แต่ว่าเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าต่อให้เราทําดีขนาดไหนไม่ช้าก็เรลยมันก็นำแก่ตไม่เจ็บต้องตายครับอาจารย์ครับที่ตอนนี้คือผมก็จะมีความกดดันมีความไม่สบายใจขึ้นมานะครับเวลาที่ว่าผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเฮ้ยผมต้อง ทำกิจกรรมเพื่อลดน้ำหนักนี่ครับบางทีเราทำกิจแผนไปเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจว่าเอ้ยเราอวันนี้เราทําไม่ได้มันก็เลยเป็นเป็นความทุกข์ขึ้นมารอาจารย์แล้วก็อย่างเช่นว่าผมแบบพยายามสุดโต่งเลยว่าเอ้ยเราต้องทําให้ได้แผนระยะเวลาเกี่ยวกับทิกี่เดือนเนี่ยคนรอบข้างผมองเช่นแฟนเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีควำโศกครับเหมือนผมพยายามที่จะมามุ่งมุ่งเน้นใ น, นเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับก็เลยเกิดเกิดความทุกข์ใจตรงนี้ขึ้นมาก็ เราก็ผมก็ควรจะทําให้มันเป็นสายกลางใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทำมากเกินไปเกยกําลังมันก็ทําให้หเราเครียดได้งล้วต้องต่ำลดการกระทำเป้าหมายของเราให้ให้ให้ลงมาต่ําอาแบบกําลังของเราไปก่อนครับอาจารย์ครับที่นี้ครับอาจารย์ผมก็มีการฝึกปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิแล้วก็การเดินจงกร ม, มครับอาจารย์ครับก็สามารถที่จะรู้อารมณ์อพยายามพยายามพิจารณาลงสิตัว ร, รู้ให้มากกว่าตัวคิดครับ ก็สามารถรู้ได้ว่าอารมณ์ตัวเองเนี่ยก็อาการโลภะก็ไม่ค่อย ม, มีครับพอศาก็เวลาฟังอะไรก็สามารถทําใจวางเฉยได้ครับฟังแล้วก็ไม่กระเพื่อมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมและรู้เลยว่าเราเราน่าจะสู้กับมันอยู่คือตัวตัวโลภะในราคาครับอาจารย์เวลาเราไปเห็นอะไรที่เราพึงพอใจอ่ะเหมือนเราเรารู้ตัวเรารู้ตัวด้วยเรามองไปแล้วเรามองเกินสองสามวิไปแล้วผมก็เลยลองเปลี่ยนตัวเองว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเรามองแล้วเนี่ย เราหยุดคิดไม่ได้ผมก็พยายามที่จะมองต่ําเวลาเดินไปไหนพยายามเหมืมอนมันขอบเขตเสมอว่าตามมันคือประตูบานหนึ่งครับรอาจารย์ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะมาใช้ปัญญาช่วยได้ก็คือเรื่องของการใช้อสุภะใช่ไหมครับรอาจารย์อืมเวลาเราใช้อสุภะเนี่ยปกติเราจะพิจารณาร่างกายคนเป็นเป็นซากศพอย่างนี้เลยหรือใช่ไหมครับรอาจารย์วเวลาเราดูได้หลายหลายวิธีด้วยกันดูเป็นซากศพได้ เ่ดูภายในอาการภายในดูคอกระโดกดูปวดตับไตลำไส้อะไรครับครับก็ผมก็จะติดในเรื่องตรงนี้ครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามที่จะงดการเสพทุกอย่างของสิ่งที่มันแบบอาจจะมาปลุกเา้เาเราหรือว่ามีทั้งสีทั้งในกายและนอกกายแลพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เคือเป้าหมายก็คือพยายามที่จะรักสัมโยชน์บมือต่ําให้ได้มากที่สุดกับพระอาจารย์ครับอดีก็พยายามทำไปนะพยายามอย่างไรความสาเร็จเยอ้ ครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็มีคําถามเท่านี้ครับอาจารย์ครับโอเคนะครับท่ครับคุณอริยตาเริ ย, รยธรรมว่าการครับหลวงพอก็วันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่งก็ต็อลองสังเกตตัวเองดูว่าบางทีเราโดนกดดันอยากเราทําอย่างนี้แบบใจมันก็ทุกข์แต่พอแบบทําได้ปั๊บใจเราสุขโดดทันทีเออสนุกดีมันมันอยากเวยงเราให้มีความสุขมีความทุกข์เออ ตลกมันตลกตัวเองเ่ยเรื่องเดียวกันแท้ๆเพอเราไม่สมบังแล้วก็ทุกข์แต่เหมือนเออผมก็มองว่าทุกข์แต่พอพอสมบังปั๊บเรื่องเดียวกันนั้นมันลุกมันก็มันเวียงซ้ายเวียงขวามันลุกตุ้มเลยครับหลวงพ่ออ่านั่ะเคยจินมันไม่ไปทางซ้ายก็ไปทางขวามันไม่โยงกลางเพื่อแคมันโยงกลางแล้วมันจะได้ไม่เวียงมันก็จะไม่ทุกข์กันอะไรก็แบบก็แบบเดี๋ยวตอนที่มันทุกข์อยู่ก็บอกตัวเองว่า เดี๋ยวแล้วพอทำสำเร็จก็หายทุกก็เดี๋ยวก็มีความเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็จะรู้สึกโล่งใจเออแล้วพอทาสําเร็จจริงเออมันก็เป็นอย่างนั้นเออมันก็มันก็มันมันรู้สึกมันตลกตัวเองแบบแปลกอะครับในมุมนั้นเดี๋ยวมันก็หายไปเนื้วสุกมันก็หายไปเนื้วทุก็กลับมาใหม่ใช่มันมันตลกมันตลกเอ้ยเราต้องทำอะไรเราต้องอามมันด้วยก็ก็นึกขึ้นได้ก็พยายามไม่สุขไม่ทุกข์ครับพยายามสุขอย่างที่รับ อุเบกาแล้วไม่ฝึกสติให้มันอยู่ที่ใฉครับครับก็นอยากอยู่เมือมันอยากเมื่อมันได้ตามความอยากมันก็ดีใจเมื่ไม่ได้ตามความอยากมันก็เสียใจครับก็แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฟังคุณหมอวีที่หลวงพ่อพูดเรื่องทำมาชุดเตรียมพร้อมก่อนหน้านี้ผมฟังมาสักพักใหญ่แล้วแต่ผมคิดว่าเป็นแจงหมอ้อใหญ่เพราะว่าตอนคารวะแต่หลวงพ่อบอกเป็นแจงหมอ้อเล็กเพราะตอนโดยตรงผมว่าอ๋อ เข้าใจผิดมาตั้งนาแต่ผมฟังมาชอบชุดนี้มากเลยครับหลวงพ่อภาษามันอยู่ที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่เป็นคำระว่าหรือเป็นพ้าบางทีนั้นก็สานสอนธรรมะขั้นปัญญานี่มันก็เป็นของของของน้ำทิพย์ะล้วนำทิพยช่วยได้เนื่งภาวนานั่งครับฟังแล้วสงบฟังแล้วรื่นตันทุกครั้งครับสุดเตรียมพร้อมแบบโอ้โหองอาจเหนือเกินแบบทําฟังแล้ว องอาจแบบใจเราแบบรู้สึกองอาจเออแปลว่าอะไรนะรู้สึกดีอะครับว่าเราอดาทานกล้าานได้แบบไ ม, ไ, ไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรครับแล้วก็ํำว่าทำธรรมาย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอันนี้คือการรักษาจิตใจของลูกคุณให้อยู่ในครับสงบปราศจากความทุกข์อ๋อ ไม่ได้รักษาร่างกายรู้ว่พาพุทธามตายได้ถูกขโมยพ้นได้จีได้เกิดอุบัติเห็นได้บังสารใจไม่ให้ทุกขก์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็เวลาผมจเจริญสมาธิวิปัสนาสมาถาวิปัสนาบ้างก็จะรู้สึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมากกว่าเดิมมันเป็นผลของการมาศึกษาปฏิบัติธรรม ใด้ไหมได้ไมมันมีปัญญามากขึ้นมันมันคิดเป็นมอกมันไม่คิดเอาแต่เอาแต่ตัวประโยชน์ใส่ตัวเองไปนมองข้ามความสัมภัน์ของผู้นมันเหมือนเราเห็นพระคุณของพ่อแม่หรือว่าของครูบาจมันเห็นนะครับแบบก่อนหน้า น, นี้มันแบบมองข้ามไปหลายอย่างเลยว่าใช่ตอนเราโมดะมองแบบนประโยชน์ของเราก็ ลัความเห็นแก่ตัวมันใช่โอเคนะหมดแล้วนะเด็กครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมสาธเขอบพระคุณหลวงพ่อครับคุณไอโฟนจ้ไอโฟเชิญคุณไอโฟนนการอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะเพื่อนหนูเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะะได้ได้เล่นได้ไม่ค่อยเป็นโอเคอยู่คุณได้เลยมีอะไรก็ถามได้ ก็คือหนูมีความสงสัยเพราะว่าเเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหนูก็คือคือปกติก็จเจริญสติในชีวิตประจำวันไปก็จเจริญสติปัญญาสติส่วนใหญ่จะดูกายแล้วก็มันก็พัฒนาพัฒนาขึ้นตอนช่วงเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยหนูก็เริ่มมาทําในรูปแบบมากขึ้นก็คือนั่งสมาธิทุกวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกับ สมาธิมันมันมีกําลังมากขึ้นทําให้สติมันมันมาบ่อยวายแล้วก็มันก็เห็นว่าตัวรู้เนี่ยค่ะมันดับต่อหน้าเลยทีนี้พอเราเห็นเราเริ่มเห็นตัวรู้มันดับเราก็เลยไปดูตัวรู้ว่ามันมีรู้มารู้ว่ารู้มันดับพอพอมันก็เลยพยายามไปดูตัวรู้แล้วมันก็เริ่มเริ่มจะเข้าใจว่าเออตัวรู้มันก็มันก็ไม่ใช่เราทีนี้ พอคืนหนึ่งค่ะที่ที่หนูนั่งนั่งสมาธิเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ว่าเข้าเข้าเข้าเข้ า, เ ข, าเข้าไปชาดลึก อ, อะไรมันก็แค่ดูจิตเกิดดับไปเรื่อยๆดูการเกิดดับของกายของทั้งกายเวทนาเออก็ดูดูไปเรื่อยๆจนอยู่ดีๆค่ะมันก็เห็นว่าเออจริงๆตัวเรามันไม่มีแล้วแล้วทีเนี้ย จิต okay right. mm hmm. มันก็รวมลงไปเข้ามันเข้าประมาณชานสี่ขึ้นไปอ่ะค่ะแล้วมันก็ถอยออกมาแล้วมันก็รวมลงไปอีกครั้好好ทงที่สองแล้วมันก็ถอยออกมาแล้วมันก็รวมเข้าไปอีกครั้งที่สามแล้วมันก็ถอยออกมาแต่ว่าทุกครั้งที่มันเข้าแล้วก็ถอยออกเนี่ยคือเราก็รู้อยู่ในสภาพรู้ตลอดเสร็จเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าแผ่นดินไหวมันก็เหมือนจิตกับเพื่อมอย่างแรงคือหนูก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนกับ มันไปพบสภาวะธรรมอันนึงที่ว่าตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ะคือหนูก็ยังอยู่บนเตียงแมวก็นอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้นะน้ําตามันก็ไหลออกมาไอตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันมันรู้สึกถึงมันมันบรรยายเป็นคาพูดไม่ได้เลยค่ะภาษารแล้วก็ทีนี้พอพอจากนั้นเราก็ยกมือขึ้นท่วมท่วมหัวเลยเหมือนกับว่ามันเป็นความมันเป็นความสุขอ่ะอันนึง แล้วน้ำตา ม, มันไหลแล้วกายเนี่ยมันก็ยิ้มขึ้นมาเองด้วยทีนี้พอพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มงงพอพอพอออกมาจากสมาธิแล้วเราก็เลยพยายามมาค้นหาตัวเราก็ค้นไปค้นมาก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชินไม่ค่อยแน่ใจว่าเออมันมีตัวเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เ อ, อ่อจิตที่มันปรุงมันมันก็คือความคิดนั่นแหละที่ว่ามันเป็นเราแล้วก็ทีนี้ สัญญามันก็ยังจําได้ว่าคือเรามันมันมันแต่ว่าไอ้ก้อนก้อนที่มันตอนแรกๆคือภาวนามันจะมีตอมมันจะมีตอมตัวหนึ่งอ่ะอยู่ที่อกมันแน่นแต่ว่าหลังหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มันเหมือนมันเบาไปเลยมันหายไปเลยอะค่ะไอ้ก้อนไอ้ก้อนก้อนที่มันอยู่ที่อกอะนะคะแล้วก็ตอนเนี้ก็เหมือนค่าว่าก็ดูขันมันทํางานไป ก็พอมันมีความสงสัยเราก็แค่ดูว่าเออมันคิดปรุงแต่งสงสัยไปแล้วก็ดูขังมันทํางานไปพอเวลาเรากลับมานั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนว่ารู้เนี่ยมันก็อยู่ห่างอยู่ห่างจากเปือตาเราความคมชัดในสมาธิมันก็หายไปมันมันเหมือนกับว่าจิตมันละเอียดขึ้นแล้วก็เวลาเรารู้สัมผัสรูปบอกลิ่นสีสัมผัสหรืว่าจะกินสัมผัส พอทพะความร้อนเย็นความพอใจเนี่ยมันเวลาเรากินอะไรเนี่ยมันกระเพื่มตลอดเวลาค่ะใจเราเนี่ยราคะมันเกิดอะไรคือเราก็รู้ไว้หมดแต่ว่าตอนตอนนี้ก็คือเหมือนกับสมาธิมันก็ดีขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเราก็อยู่กันลมทั้งๆ ท, ที่เมื่อก่อนอะ่ะเราจะไม่มาอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแต่ว่าอยากจะภาวนาตลอดแล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยอยากส่งจิตออกนอกก็เท่าไหร่เพราะว่าก็รู้ว่ามัน มันเสียเวลามันทุกข์ก็ก็เลยยังสงสัยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรไปเองหรือเปล่าแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก<อ>็นนแค่เออความจําที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้ไป<อ>ไม่อยากใส่ใจอะไรกับมันกลัวมาแก้สังโยน ด, ดีกว่าตัวแรกจะต้องแก้คือสักกายาทิถิมาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาให้ได้ดีกว่าปล่อยวาง ปล่ยให้ร่างกายมันตายหมายให้ร่างกายมันเจ็บไม่ได้ไปทุกข์กับมันให้เรื่องเดินมันไม่ค่อยสําคัญมันเป็นเรื่องมันจับใจอ่ะคอามดูมันเป็นเรื่องจับประเด็นไม่ได้ทาให้มันเป็นเรื่องเวลาหนึ่ะประเด็นที่เราต้องแก้ก็คือสังโยชน์ก็กเนี่ยกดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ดูเวทนามันมันก็เป็นอนจิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะทุกขเวทนาให้ดูตัวทุกขเวทนาคือเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันเคการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยต้องฝึกให้จิตให้ปล่อยให้อยู่ประมันให้ได้ค่ะอ่าอันนี้ดีกว่าน ะ, าะมันลองฝึกดปล่อยพิจารณาฐานห้ารูปเวทนาสัญญาธรรมฐานวิญญาณ มันไม่เที่ยงเกิดแล้วกดับเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่ตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราครับทําได้ไหยค่ะอออย่างนี้ดีกาณ์นะค่ะได้สลับกับการทําสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิแบบนิ่งว่างสงบอย่าไม่ให้มันเห็นนู่นแห็นนี่รูปแต่งไปหมดมันไม่ใช่สมาธิค่ะ ตเรามีพุทโธแล้วมีตรงคอยกำกับใจมันถึงจะเงี่งสงบได้ค<ะ>่ะถ้าไม่นั่งเฉยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนิยมเล่าให้ฟังเข้าออกเข้าออกอะไรของมันเป็นเรื่องเวลาไปเหมือนมันมี ส, มม<ะ>สาสมาธิที่จริงมันต้องว่าไม่มีเรื่องเวลามันบอกเงียบนิ่งเฉยเยน็นสบายค่ะนะค่ะค่ะ ท, ที่เร่ามามันเเป็นวินชาสมาธิมากกว่าค่ะได้ค่ะแล้วลองทำดูนะอ่ค่ะโอเคเ อ, อ่ค่ะขอบพระคุณท่าอาจารย์ค่ะอา่านฏิบที่เกณฑ์เกณฑ์สัจจรจังหวัดแพร่เชิญพาอาจารย์ครับอา่าเชิญผมไม่เห็นท่าอาจารย์ครับเราจะพูดนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องเห็นได้ยินเสียงรันก็พอแล้วเห็นแล้วครับไม่ได้สนทนาสกันพระอาจารย์ครับไม่ได um oh. okay. <net> <t vap ing problem> ้เจอพระอาจารย์นานมากเลยก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์อีกแล้วครับอันนี้เป็นเร่องสกิดสั้นครับสั้นๆก็คืออยากให้มีเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์ท่านสอนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติเองเรามาศึกษาเองโดยที่ป่าจากครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะหลงทางแล้วมันไม่เกิดความเสียหายได้ซึ่งมันอันตรายมากแล้วนะครับถูกต้องใช่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่บ้นทุกข์โดชอบประดับดีปฏิบัติชอบพ้นทุกข์โดยชอบแล้วขออนุญาต ย, ยกตัวอย่างพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับเราจะปฏิบัติมาถูกทางเราจะเข้าใจความหมายในในพระไตรปิดกว่าที่อริยเจ้าท่านแสดงนะั้ ให้เราเข้าใจอย่างอย่างไหนกันแน่นะครับที่จริงพระพรทเจ้านี้ท่านตัดสู้จริงแล้วก็สอนมาถูกทางแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าใจในความในความที่ท่านที่บายด้วยต้องมีครูบายใจท่านสอนครับถึงจะเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง <c oughs> ผมเคยลองมาแล้วครับมาหมดแล้วลองปฏิบัติทำหมดแล้วแต่พอปฏิบัติพระอาจารย์ชูชาติอภิชาโตเนี่ย มันมันเป็นอัตโนมัติมันจะเป๊ะเป๊เปมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันจะกิเลสข่ากิเลส ต, ตัวกิเลส ต, ตัณหาเนี่ยมันจะค่อยค่ยค่ายแพ้ไปหายไปในสุดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะก็จะหายไปหมดเลยครับมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นพระอริยบุคคลเหมือนที่พระอาจารย์บอกจริงๆครับเป็นโดยอัตโนมัติแต่ว่าต้องใช้เวลาต้องต้อ ง, ต, องต้องค่อยๆ่ปฏิบัติไปครับ ตอต้องมีสติสมาธิก่อนต้องมีสติสมาธิก่อนถึงจะเริ่มปัญญาไนดะ้ใช่ครับผมเริ่มจากการปฏิบัติใหม่หมดเลยครับเร็วๆเจฟังว่าอาจารย์แล้วก็นํามาปฏิบัติใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยครับเจ็ดปีกว่าจะบรรลุสวดาบานเจ็ดปีครับแล้วก็หมายถึงว่าไม่ได้คิดเองนะครับหมายถึงว่าเราเราพอจะเข้าใจว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างไงแล้วมันจะเราจะโกรธแบบมีลิมิตมีขอบเขต เราจะไม่สามารถที่จะไปทำร้ายใครได้อีกไม่ไม่สามารถที่จะทำบาปได้อีกเราจะรู้ตรงนี้ครับมีเป็นเหมือนมากวัดที่พระอาจารย์บอกเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำบาปไปได้อีกแล้วรักษาศีลมากกว่าชีวิตของตนเหมือนที่พระอาจารย์สอนจริงๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นแล้วก็แล้วก็การโกดก็กดระยเวลาสั้น มีนะครับเราตอนนั้นไม่เบัตแต่ยังไม่รู้ท่านท่านบ้านอาหารยังโกรธไม่โกรธนานแป๊บเดียวก็หายเจริญเมตตาเหมือนมีธรรมะเข้ามาแทรกเข้ามาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะมาแทรกเราตลอดเลยว่าเรามีเมตตาในที่อย่าไปโกรธนานนะไม่มีประโยชน์ใจเราจะทุกข์เหมือนพี่จันบอกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจน จนเราฝึกอุเบกขาได้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยแบบที่ที่พระอาจารย์บอกมันสัพเพ昙มาหน้าตาจริงๆครับ ม, มันมันว่างเปล่า ม, มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหมดเนี้ยมันมเราอย่าไปยึดติดเนหะมือนที่อาจารย์บอกปล่อยวางก็ อ, อย่ามาเล่าประสบการณ์จริงๆแต่ว่าที่สำคัญที่สุดควรจะมีครูบาอาจารย์ท่านเป็นท่า น, ท, านท่านสอนแนะนําแนวทางให้ ว่าให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนจากรักษาศีลก่อนถ้าศีลเราดีแล้วมันจะทําให้เรานั่งสมาธิหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะดีขึ้นพอเราสมาธิดีขึ้นนะั้ะเราก็สามารถจเจริญปัญญาได้ค่อยๆสอนใจเราเองถูกต้องแล้วเราไปหมดก็จะตามไม่มุติก็จะตามม า, มม า, า, มมาใชว่วิมันก็จะเป็นผลตามมาตามเราจาับจริงๆครับโอเคนะอท่านี้ก่อนนะอาว่ายอาจารย์ขอบมากครับ โม <Okay. S 2> รา <ขอ S 2> สรานุครับครับผมขอบคุณครับรู้สึว่าเมื่อกี้คุณท่านนาพลได้ถามเราใช่ไหมอยากจะถามาออเป็นยังไงคุณท่านนาพลถามแล้วครับพัฒนาก <Okay. S 2> รไม่มีอะไรนะจะได้ที่คุณถามต่อไนดะ้คุณดาลมีคําถามจากเฟซบุ๊กหรือเปล่ามีคําถามจาก facebook และ youtube ท, ทั้งหมดเก้าคำถามค่ะถามอะไรคถามแรกจากคุณเมทินี การนั่งสมาธิแล้วดูตามรู้ตามเวทนาที่จะเกิดถูกต้องไหมคะมถูกครับเวลานั่งสมาธินีต้องดูลมและฟุตโตอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอะไาทั้งสิน้นาต้องการให้จิตนิ่งสงบจิตว่างจิตเย็นจิตปล่อยวางต้องให้อยู่กับลมและอยู่กับฟุโทโตอย่าไปสนใจกับอการย่างสิ้น คำถามต่อไปจากคุณวิกันดานั่งสมาธิแล้วกำหนดอยู่ที่พุทโธวันหนึ่งแล้วอีกวันก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกเข้าออกแบบนี้ได้ไหมคะหรือควรจะเลือกฝึกแบบใดแบบหนึ่งไปเลยคะก็ลองดูว่าแบบไหนดีกว่ากันก็เอาแบบนั้นค่ะคำถามที่สองของคุณวิกันดาคือทำอย่างไรให้อยู่ในสมาธิได้นานๆคะ ก็ต้องฝึกสติให้มา ก, มากๆกว่านที่จะมานั่งพยายามฝึกสติอุทโธอุทโธตั้งแต่ตื่นมาเลยเนือคอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากาลังทำอะไรนยูแล้วพอมาลามานั่งมันก็จะนั่งนานขึ้นมีสองคำถามจากคุณ The Multiversal Unity ค่ะคำถามแรกกราบน้ำสการครับหมู่นี้เบื่อโลกมากครับดีหรือร้ายเป็นภาระจืดจืดครับ แต่ถ้าทําดีทํากุศลก็พอได้ครับพอแก้เบื่อชุ่มชื่นได้บ้างครับขอคําแนะนําครับผมหรือถ้าเบื่อแบบแบบไม่สุขก็ถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่เป็นวิภาวะธนาต้องระวังนะต้องพยายามทําใจให้สงบให้มากอว่นี้เนื่องมันจะไม่เวลาเบื่อมันจะไม่ทุกข์นะถ้ามันเบื่อมันทุกข์นั่นแสดงว่าจิตยังไม่มีอเบทขนะาพ้นออกนะพยายามฝึกเสถียให้ว่า ทำจิตให้ใสงบให้เป็นอเบคาแลวพอพิจารณาที่มันเบื่อมันก็จะไม่ชุกข์กับมันคำถามที่สองเหตุบุญเหตุบาปเกิดหรือดับขึ้นพร้อมกับจิตในชั่ววาบหนึ่งแต่และ ว, วา่าเป็นเหตุปัจจัยหลายๆอย่างลงพร้อมกันดังนั้นคาดเดากรรมต่างๆได้อย่างไรครับอะไรเป็นความจริงจะขยายความรู้นี้ได้อย่างไรครับ ก็บุญกับบาปก็เกิดจากความคิดในใจเรานี่แหละคิดทําดีมันก็เป็นบุญคิดทาบาสมันก็เป็นบาปนะถ้าเรามีสติแล้วก็จะรู้ทันทีมันเราก็จะคุมไม่ให้มันสแสดงออกไปทางกายวาจาได้เป่นตะเกียาไปกินเหล้าปุ๊บเนึ่ยถ้ามีสติเราก็รู้นี่ก่อนนะเราจะไปกินเหล้าเรารักษาสีหน้าไปไม่ได้เป็นตะกินข้าวเย็นว่าเราถือสีแปกินไม่ได้ มันอยู่ที่ใจมันอยที่ความคิดของเราถ้าเราไม่มีสติบางทีเราลืมเนอะมันดื้อเราฟีลสิ้นแปะพอมันจะกินข้าวย็นขึ้นมามันลืมขึ้นาแกล้งรืมก็ไม่รู้มันไม่สติมันก็ลืมได้ได้ยังมันคุมได้นังถ้ามีสติแล้วมันจะควมความคิดได้ความคิดดีควาคิดไม่ดีเราคุมได้คิดไม่ดีก็หยุดมันได้คิดกัคิดดีก็ปล่อยมันออกไปทําได้ บาดคำถามต่อไปจากคุณเล่าเรื่องค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมทําสมาธิจนลมหายใจไม่มีแล้วว่างจนมีแต่ตัวรู้กับความคิดรู้สึกตัวน้อยลงว่างหมดเลยผมต้องทําอย่างไรต่อครับถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ยังถือว่าไม่ว่างจริง น, นะยังไม่มีความคิดลงเดือดอะไรแล้วแต่รู้อย่างเดียว แล้ปยายาถ้ า, ถ, าถึงจุดนั้นก็พยายามให้มันว่างไปน น, นานๆคํำถามต่อไปจากคุณวิวิทย์ขออนุญาตนมัสการถามเรื่องมหาสติและมหาปัญญาที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ชอบครับคือมหาแปลว่าใหญ่ไงสติยิ่งใหญ่ก็คือสติที่ไม่เผลอเลยสติที่ต่อเนื่องตั้งแต่เื่นจนหับนี่ไม่มีคําว่าเผลอเลยรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาน ปัญญามหาปัญญาก็คือปัญญาที่คิดอยู่ที่ที่เราเรื่องถึงปัญญาเราเรื่องถึงตายเราเรื่องถึงอริ ย, ยาาสัจสี่ตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณชริตาถือศีลห้าทำสมาธิทุกวันกับถือศีลแปดนานๆครั้งอนิสง์ต่างกันอย่างไรคะไม่รู้ไหมงั้นกวลองไปทำดูด้ว ย, ย <laughs> จะได้รู้ว่า เธ อ, อย่างนี้เป็นยังไงเธออย่างนั้นเป็นยังไงจะมาให้เรามันช่างตัวมาวาดอยู่ทุกเรื่องเราเราวัดไม่ไหวหมดแล้วอย่ายังมีอีกสามคำถามค่ะคำถาม<ป>ต่อไปจากคุณโดราถ้าลูกของเราพูดถึงการจบชีวิตบ่อยๆ ย, ยนยมควรจะทําอย่างไรดีคะก็ถามว่าจุดถามว่าทำไมจะจบชีวิตทําไมชีวิตนี้แสนจะดี อารที้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นแสัจะยากยิ่งได้มาเกิดในยุคที่มีวัฏฏศาสนายิญญา่งถือว่าเป็นเป็นโลกเป็นลาบเป็นประเสริฐว่าเราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเพื่อทํำให้ใจเรานี้มีมีแต่ความสุขไม่มีไม่มีคามทุกข์การเข้าพูดเขาให้เข้าใจว่าชีวิตของเรานี้มีคุณค่ามากคำถามต่อไปจากคุณสสีวิมล นั่งสมาธิคนเดียวแล้วกลัวผีตลอดทำอย่างไรดีคะอาารบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกผีหลอกไม่จริงที่ผีเราก็คือใจเราหลอกเราเองใจเราคิดตุ่มแต่งมาเองยันวิธีที่จะกำจัดผีเราก็คือพูดโทพูดโทรไปเราเกิดความรู้สึกว่าผีจะหลอก็ต้องพูดโทพูดโทรพูดโทรไปเดี๋ยวมันก็หายเอ คำถามสุดท้ายจากคุณคลีโอพัตตาท่านพระอาจารย์คะเพื่อนเวลานั่งสมาธิจะหลับทุกครั้งทําไมคะทําจะทําอย่างไรเจ้าคะเขาฝากถามมาเจ้าคะ่ะอ๋อมันส่วนนึ่งก็เพราะกินอาหารมากเกินไปมันก็เลยทําให้ม่วงเวลานั่งสมาธิมันก็จะม่วงได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราอยู่ในที่มันปลอดภัยเกินไปมันก็ทําให้เราง่วงได้ ถ้าเราไปอยู่ที่มันน่ากลัวนิดหน่อยมันก็จะทําให้ความง่วงหายไปได้คำถามหมดแล้วจ้ะค่ะวันกี้คนนี้เดี่ยวเข้ามาตอบเดี่ยวเดี่ยวกรรมะกรรมตาครับก็บเข้ามาแลกลับมาแล้จะกลับมารล้วน้ำตาหนุนตาครับมามีอะไรไหมเข้ามาฟังครับค่ะฟังอยู่ด้านนอกก็ค่ะใอวันนี้ในวันนี้ทุกบ้าขึ้นทุกน้อยลอง ไม่มีทุกข์เจ้าค่ะไม่มีทุกข์นะปล่อยวางได้หมดนะปล่อยวางได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้ากษามีเวลาเป็นกระทบมาหลงพ่อเจ้าค่ะมันยังมันยังปล่อยวางไม่ได้นะกาค่ะอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะมีแต่คนบอกมีแต่คนบอกโอ้ยคุณจีคนใกล้ ต, <ร>ตัวเราที่สุดเนี้ยไ่อยยากที่สุดก็ค่ะหลงพ่อเจ้าค่ะมันจริงๆเลยเจ้าค่ะขณะมัน บางทีมันมันไม่ใช่อะไรจริงๆมันมันก็เป็นประโยชน์กับเราแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติทําแล้วเราเหมือนเราไม่อยากได้อะไรแล้วเห็นทุกอย่างเป็นขยะไปหมดเลยแล้วก็บอกให้ขายงบ้านที่เรานั้นก็บอกให้ขายปราสาทที่ฝรั่งเศสก็ก็อยากจะขายแต่ว่าก็าเรื่องของเขาพิ <c oughs> าเศษสมัยเขาไว้แล้วก็อยาไปยุ่แล้วไปเขาจเก็บไหมก็เรื่องของคําแ<อ>ล้วไปเถื่อนกเป็นของเราแล้วกันหรือไปเถื่อนกเป็นของเรา เจ้าค่ะหลวงพ่อทุกขาเจ้าค่ะมีก็มีไปไม่มีถ้าเป็นอยังเวลาเราขายที่ได้ก็ขายไปเลยแต่ถ้าเราขายไม่ได้กบก็มันอยากไปยุ <trips> ่งเขาก็แล้วกันเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ที่บ้านหลังใหม่ก็พ่อตกแต่งแล้วแบบก็พยายามเอภิตายภิตายก็แค่ที่ว่าคิดว่าเราเป็นคนคนใช้ก็แล้วกันแล้วที่าเราอยู่บ้านก็จะมารับใช้เขาว่าแล้วกัน บ้านเป็นของเขาก็จะแต่งบ้านเขายัางไรก็เรื่องของเขาไปต้องค่ะต้องพอพอพอพอมองหันหันไปเห็นแล้วโอเคปิดตาปิดตาปิดทาเจ้าค่ะต้องไม่ปิดวาจาเจ้าค่ะเล่าเป็นคิดว่าเป็นบ้านของเราคิดว่าเป็นบ้านของเขาเราเป็นเจ้าเรามารับใช้เขาต้องค่ะก็คิดจะเจ้าเป็นเจ้าแล้วเป็นเจ้าแล้วเป็นเจ้าต้องค่ะหลวงพ่อแล้วช่วงเนี้ยมันมันทุกข์ค่ะมันทุก ทุกกรรมค่ะคาะว่าเราพอเามีอัตตาโตตัวมากเราเป็นเจ้าของไม่หมดเะาคิ่าเราเป็นเจ้าของไม่หมดเป็นเจ้านายด้วยเป็นเจ้านายด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็มีทุกหนึ่งเรื่องก็คือทุกเรื่องทานอาหารคือเราต้องทําหน้าที่ทานอาหารเจ้าขามันเป็นทุกเจ้าคขาก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันคนที่เขาไม่มีอาหารกินต้องเยอะแยะเขาเจ้าค่ะแล้วก็ มันมีแขกที่เราจะต้องทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ก็พิจารณาแล้วก็มันก็เหมือนเวลาก็ถ่ายหนังไงเวลาถ่ายหนังเขกินก็กินเล่นๆกันเองเขาไม่ได้กินจริงๆมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะก็ก็แต่ว่ารู้เห็นใจตัวเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราก็เมื่อวานเนี่ยค่ะมีมีบททดสอบบนบนเครื่องบินเจอพายุกลางทะเลเจ้าค่ะแต่แบบลูก นิ่งอ่ะนิ่งคือนิ่งสงบแบบเหมือนปล่อยปล่อยร่างเจ้าค่ะปล่อ ย, อ ย, อยคือรู้เลยว่าลูกแบบนิ่งนิ่งนิ่งได้แบบนิ่งแบบไปจนแบบว่าจนจนเครื่องบินเนี้ยแล้วเราแบบว่าเฮ้ยเราเราแบบนิ่งไม่รู้สึกแบบปกติเพอลูกกับสามีนั่งหน้าแล้วลูกก็นั่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไปว่าห่วงลูกจะอะไรยังไง ร, ร, รู้สึกว่าเรานิ่งปล่อยปล่อยไปเลยเพ่าะว่า เวลาขึ้นเครื่องบินกันสองคนนี้ก็จะตะกิ้กันนั่งสมาธิไปทุกครั้งนะสหบัดแต่วันนี้เรารู้สึกว่าไม่ได้ทุกทั้งที่ข้างๆเขาแบบวุ่นวายคิดการแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราหนึ่งนิ่งดิ่งไปก่อนเลยแล้วก็จนเครื่องบินลงเราก็ปลอดเดีก็ดีแดงว่าตายความกลัวตายได้ก็ดีไม่กลัวตายกันดีอ๋อเจ้าค่ะแต่เหงื่อมันออกที่มือนะเจ้าคะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ทุกเรารู้ว่ามันเบาสบายเราแบบ ปล่อยไปเลยเพราะตกตคือไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยปล่อ ย, ลยแต่ไปเลยแต่ว่าพอเครื่องมาลงรู้สึกมามาจับที่มืเอเฮ้ยมันเกิดมันมีเหงื่อแต่ใจเราไม่ทุกข์แล้ว嘛 ก, ก็ลงแล้วก็ถามโยว่าเธอเธอสวดมนต์ไหมเธอสวดมนต์หรือเปล่าเขาก็บอกคขหลับอยู่แต่เขารู้ว่าเค่งบินมั น, นีนี่เขาก็เลยรีบสวดมนต์อะไรเงี้ยเขาบอกวิคุณแม่ไม่ได้ทุกข์นะคุณแม่ปล่อยแต่ว่า คุณแม่ก็ยังเป็นคนธรรมดานะคุณแม่รู้สึกมันมีแค่เหงื่อลงมาแล้วมีเพราะว่าใช่ครับคุณแม่เราก็ยังเป็นคนธรรมดาเจ้าค่ะไม่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็ยังปล่อยไม่เต็มที่ยังปล่อยไม่เต็มที่เช้าค่ะเจ้าค่ะก็พอลงมาเรารู้สึกว่าที่มืออมันแฉะมันมันแฉะเจ้าค่ะมันแฉะแต่ว่าใจไม่ได้อะไรเรารู้สึกว่าเออลูกปล่อยปล่อยกันดีถ้าไม่ทุกข์ไมไม่ไม่กีการกันอย่างแต่่าโอเคไม่ก้อหนึ่ง ใจนิ่งติ่งแล้วเราก็รู้ก็มาคิดว่าเออทําไมนี่เราปล่อยได้แต่สามีเนี่ยไอ้เรื่องตกแต่งบ้านหรือแล้วมันจริงๆเขาก็ตกแต่งเพื่อให้เราสวยงามก็เรา<ค>ไม่ไมเราไม่ปล่อยเองเ ถ, ถ้าเราถ้าเราคิดจะปล่อยก็ปล่อยได้นะไม่ยอมปล่อยเองเจ้าค่ะพอหันไ ป, ไ, ปไอ้มันเจา้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เออปิดตาปิดตาพอหันไปเอ้ยพอเห็นไอ้อ่เอ้ยปิดตาปิดตาปิดตาปิดปากเจ้าค่ะ ปิดปาป่าด้วย ค, ค่ะเจ้าค่ะก็มีข้อนี้ข้อเดียวเจ้าค่ะหลวงพ่อกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันยังมียังมีอยู่ยั ง, ยงไม่ยอมเขาายังไม่ยอมเขาต้องยอมยุดเย็นนะทำไม่ ย, เมยเอเจ้ า, าค่ะยังยังมีบางทีในใจก็ยังบางทีคืออิบิซาเขาจะแบบคนที่นี่เขาหัวใจสีเขียวใช่ไหมคะลูกก็ รับหมดแล้วค่ะใครโบกอบบไปตรงไหนส่งมแล้วเค่ะแล้บางทีสามีบอกโอ๊ยรีไปรับรีโอหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบถอนในใจเจ้าค่ะรถเยอะว่างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อยังมีอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่เจ้าค่ะโอเคครับเจ้าค่ะเจ้าค่ะพุทโธพุทโธพุทโธจ้่ะวิตอโุณดาเ้าดาอยู่สมุรปราการไม่อยู่ที่สิงช วันนี้อยู่สมุดประการค่ะพรอาจารย์ค่ะที่เสียชานี้เป็นบ้านนะเป็นเป็นที่ที่เสียชาเป็นคอนโดอะค่ะพอดีว่าทําทํางานที่ศสียชาค่ะก็เลยไปไปกับกับอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ส่วนใหญ่นอนที่บ้านมากกว่าค่ะค่ะนอนกับลูกๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พรอาจารย์ค่ะครั้งที่เราที่ขึ้นเขามานะคะพรอาจารย์อืม คือไอ้ที่มีปัญหาส่วนตัวปัญหาอะไรที่มันหนักหนักช่วงเนี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารวมจิตแทบไม่ได้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็ก็ขเขารียกใช้ความเพียรอยเยอะเดินจงกรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งสมาธิมันมาได้ตอนวันเกือบสุดท้ายเหมือนกันค่ะที่รู้สึกว่ามันรวมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็มันบางทีต้องใช้เวลาปาที่จะทำให้จิตมันสงบได้ค่ะก็เสร็จแล้วจริงๆมันก็ยังเรื่องปัญหาอะไรมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็พยายามจะไม่รู้ว่ามันปัญหานะไม่สําคัญสำารับใจเราถ้าใจเราสงบแล้วปัญหามันจะเป็นอะไรก็ช่างเหมือนว่ามันแก่ได้ก็แก่แก้ไม่ได้ก็ผ่านไปอยู่ก็มันไป ตาไปเข้าไปไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์ต้องแกที่ใจเราก่อนแก้ปัญหาใจก่อนทาใจให้เราให้สงบให้ปล่อยวางให้ได้ก่อนแล้วปัญหาที่ตกค้างอยู่มันจะจะแก้ได้ไม่แก้ได้ก็ไม่เป็นปัญหาใจที่สงบที่ที่จะเ อ, อหมายถึงสยบกับปัญหาตรงหมายถึงว่าสยบปัญหาตรงนี้ได้หมายถึงว่า เอ่อเป็นความสงบที่ไม่ไม่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงคือปล่อยวางพิชนชาณว่าเป็นอนันตตาเราทําดีที่สุดแล้วทําได้เท่านี้ก็ก็เท่านี้ก็ยอมรับกับมันไปค่ะพอาจารย์แล้วใจเราก็สงบใจแล้วก็ไม่วุ่นวายไปกับมันค่ะพอาจารย์อืพอใจเราสงบแล้วเราก็รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ ปัญห า, าก็จะไม่กลายเป็นปัญหาปัญหาจะกลายเป็นไม่เป็นปัญหาไปถึ ง, งเมื่อมัน ย, ยังแก้ไม่ได้ก็มันไม่เป็นปัญหาสับเรานะค่ะอ า, าจารย์ตอนนี้ก็ค่ะ ถ, ถ้าใจเราสงบใจเราปล่อยวางได้ค่ะ เ, เป็นการฝึกความปล่อยวางที่ยากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอาจารย์สิ่งที่แบบไม่เคยเจอใช่ ปัญหาดันามันมันไม่มีความหนักมีความเบาบางอย่างก็ปล่อยง่ายบางอย่างก็ปล่อยยากเขาพยายามปล่อยมันหมดทุกอย่างใช้หลักการเดียวกันมองมันเป็นเป็นตายร่างมองมันเป็นอนัตตาไป ค, ค่ะพาา ร, ระอาจารย์เหมือนปัญหาน้าําท่วมเนีเราไปกันมันได้มามันจะท่วมเราก็ข้ามไม่ได้ค่ะ ก็ปล่อยมัน่วมไปแตใจเราไม่เนื่อยนอนค่ะการแก้ปัญหาที่ใจเราไปถ้าใจเราสงบใจเราปล่อยวางได้ปัญหาต่างๆทั้งหมดก็ไม่เป็นปัญหาหต่อไปไม่ต้องไปแก้ก็ได้แก้ก็ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าพา ย, ยายามไปแก้ปัญหาข้างนอกไม่มาแก้ปัญหาที่ใจแก้ปัญหานี้ด้านก็มีปัญหาอื่นมาให้แก้ เข้า <c oughs> ใจเราไม่ยอมใจเราจะพยายามจะแก้มทุกเรื่องฮค่ะม <c oughs> ันแก้ที่ใจเราพอใจเรแก้ได้แล้ว <c oughs> นวี้ปัญหาต่างๆไม่ไม่งไม่เป็นปัญหาต่อไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ก็ปล่อไปค่ะเขา้าใจไหมเข้าใจค่ะอ <c oughs> า, า, าจารย์เขาแบบเข้าใจมาทดสอบจริงๆค่ะอาจารย์มันแบบมันผูกหลายเรื่องมาพร้อมกันเลยแล้วแบบ พอดีคุณแม่เสียด้วยนะคะพระอาจารย์มันเป็นหน้าตาหมดนะเรื่องไหนก็เป็นหน้าตาหมดค่ะค่ะเป็นธรรมชาติเป็นของที่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกค่ะยมบางจุดบางจุดที่ที่ยมผ่านมายมรู้สึกถึงคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะคะเพ่า ม, มันมีจุดจุดหนึ่งตรงนี้ที่<ม>คนแบบ มันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเบื่อมันก็เลยแสงขึ้นมาค่ะค่ะค่ะพรอาจารย์อย่าไปฆ่าตัวตายต้องฆ่ากินเลงค่ะฆ่าตัวที่อยากไปแก้ปัญหาฆ่าตัวเนี้ยค่ะพรอาจารย์ไม่ต้องไปแก้หรอกโลกที่มันเป็นโลกของปัญหาแก้ไปจนมันตายก็ไม่หมดค่ะใช่ไหมแต่แก้ที่ใจตัวเดียวนี้ปัญหาหมดเลยค่ะ ก้ตัวนี้อยากจะไปกล้ ต, ต่างๆเนี่ยแก้ตัวนี้ให้มันได้ให้มันยอมรับความเป็นจริงให้มันยอมรับว่าทุกอย่างมันเป็นน้ตาตาค่ะอาจารย์เราก็เลยยังคิดว่ารอบนี้จะพยายามเคลียอะไรเคลียคิวอะคะ่ะให้ได้แล้วก็รอบนี้อยากจะไปอยู่สักเดือนนึงอะคะ่ะบนเขาตั้งตั้งใจตั้งใจไว้ว่าจะ จะพยายามไปอยู่ไม่ได้เดือนหนึ่งค่ะพระอาจารย์ไปอยู่เดือนหนึ่งได้บนเขาก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ก็จะมีว่างยาวขนาดนั้นอาจจะต้องแบ่เป็นสองช่วงนอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะไปวันแรกค่ะเะลองคุยกับคนที่เขาจัดการดูว่าอาจะอยู่อยู่สองอยู่ช่วงแรกก่อนแล้วถ้าช่วงที่สองถ้ามีว่างก็อยู่ต่อถ้าไม่ว่างก็ออก ค่ะผอาจารย์วันแรกไปรอบนี้นะคะวันแรกไปอ่ะกลางวันคือคือขึ้นไปถึงก็รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวมากก็เลยบอกเอบอกในใจว่าขอ ง, งี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะของงี้ไปแป๊บหนึ่งค่ะผอ า, าจารย์เหมือนแบบยาวเลยไม่ไม่มันแป๊เดียวแล้ ว, วเจอมันฝันว่ามีผู้หญิงมาอยู่หน้าห้องค่ะผ้ า, าจาย์แล้วโชมก็เดินเดินออกไปหาเขาในฝันนะคะ Mm hmm. เขาแล้วทักเขาอ่ะค่ะทักเขานิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมโ mm hmm. ยมก็บอกว่าไม่ไปหรอก mm hmm. แล้วโยมก็บอกว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นะอะไรเงี้ยให้นึกถึงพระอาจารย์สุชาติอภิชาตอง mm hmm. แล้วโยมก็เลยรีบบริกรรมบริกรรมบริกรรมแบบว่าพุทโธพุทโธ mm hmm. อะไรเงี้ยที่พระอาจารย์สอนร้อยะคะ่ะ mm hmm. แล้วแบบ ลุกขึ้นมาฝืนฝืนแบบลุกขึ้นมาได้ก็นึกในใจอยู่โหกลางวันยังเจอขนาดนี้แล้วกลางคืนจะขนาดไหนเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะนึกอยู่เหมือนกันครับอาจารย์มันอยู่ในใจเราเองมันไม่มีครับที่เราไม่มีหรอกใจเรามันสร้างขึ้นมาเองหลอกเราเองอย่างที่บอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงช <laughs> าพอาจารย์เนี่ยใช้พุโทโธเถใช้พุโทโธค่ะไล่มันไปนะพุทโธพุทโธพุทโธพอใจสงบมันก็หายไปเอง นะาพาพาจย์น้อมรับค่าพาจ้าโอเคนะตั้งใจค่าพาจ้าแต่คุณหรวงสุดาเช่คุณหลวงสุดาอยู่ที่ไหนอ๋อแล้วมาสัพระ้าพเจ้ากรุงเทพค่ะกรุงเทพมีคาถามอะไรไหมค่ะมีคาถามขออนุญาตส่งคำถามนะครับอะไรครั้งที่แล้วเรียนถามพระอาจารย์เรื่องสังขารนะคะว่าจัดการยังไงแต่เขาเข้าใจว่าสังขารน่าจะเป็นใจหลักเนี่ยนะคะ ต้องอยาว เ, เราห้ามมั น, นไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือใช้สติกากับใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ห้ามมั น, มนได้เป็นคั้งคแต่ไม่น่าตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ค่ะมีคําถามเกี่ยวกับเวทนาแล้วก็เวทนาและทุก์ที่ฟังจากพระอาจารย์ที่ในรายการวิสันญธรรมนะค่ะวันนั้นมีมีเราเราเห็นว่าตัวเองมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในการทํางานฉันว่าเราได้ สิ่งที่เราพยายามทํางานมาค <st> ่ะอาจารย์ความรู้สึกแรกๆๆที่รู้ตัวก็คือเราเรามความสุขนะพ่อจันท์แล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเราก็คิดต่อเ่า เ, เราจะรักษามันไว้ยังไงต้องทําอะไรบ้างสองสาสี่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่ากังวลขึ้นมาเลยว่าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้ไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยเกิดมันเป็นอารมณ์รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ทุกข์ขึ้นมาความรู้สึกสองครั้งเนี่ยค่ะอาจารย์ครั้งแรกที่พอเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็มีความสุข อันนี้ไม่รู้เขาใส่ถูกไว้มันชือเวทนาอะค่ะค่ะ อ, อ๋อมันเวลาอยากได้มาเหมือนเวลาลมมันเกิดกจากการที่เรามีความกังวลกังวายตอนที่ก่อนที่เราอยากจะได้พ อ, อพอเราได้สิ่งที่เรายอยากได้มาความกังวลกังวายก็หายไปมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเรามีความสุขแต่ความจริงไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นการระนำความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ชัวว่วคราว แล้วถ้ารู้ตรงนี้ก็รู้รู้แล้วก็เฉยๆไปใช่ไหมคะจ่าก็ให้ร <101 centre> ู้ว่าอสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงยามพอมันไปมันก็จะกลายเป็นคทุกข์ขึ้นมาอีกแนวทางที่ดีก็คืออย่าไปอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เรามีเรื่องสิ่งที่เราได้มาเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนมันอาจจะจากเอาไปลเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้แล้ว ถ้าฝั่งฝั่งทุกบ้างพระอาจารยตอนที่เรามีอารมณ์โกรธเนี่ยพอเรามีมีคนพูดตําหนิเราเนี่ยความรู้สึกแรกมันจะเป็นเวทนาะคะ่ะพะอาจาราเรามไม่ชอบนี่มันไม่ใช่เวทนาแล้วเพราะมันมันมันเป็นทุกทุกที่เกิดจากความไม่ชอบเกิดจากความอยากให้เขาพูดดีแล้วแม่เขาว่าเราเหมืออันนี้เป็นทุกแลระยสั้เป็นทุก ร, ยระยะแต่คําพูดที่เขาพูดไม่ดีเนี่ยมันเป็นเป็นทุกเขาเวทนา ถ้าเราี่ไม่พอเราได้ทุกเข้าไวทนาแล้วเราก็เลยเกิดความความอยากให้ทุกเข้าไวทนานี่หายไมันก็เลยทําให้เกิดความทุบเทาทีริยสัตว์ขึ้นมาใช่ไหโอเคเข้าในะคะแปลว่าถ้าเรารู้ทันทุบแรกที่คําพูดที่มันไม่ชอบเราไม่ว่าเราห้ามเขาไม่ได้มันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นน่าตาเราก็ยอมรับมันไปอยากประหยากให้ท้อไม่พูดอย่างนี้ เราก็จะไม่เราก็จะไม่มีทุกขเวทนาท่านเราก็จะไม่มีทุกทางอริยสักทุกที่เกิดจากความอยากมันจะไม่มีทุกที่เกิดจากความอยากพอพอพอรู้ทางแต่ไอาอารมณ์แรกที่เราสึกทุกจากที่เราไม่ชอบเนี่ยมันมันมั น, มนเราต้องให้มันเกิดใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องฝึกสอนใจตัวไว้ว่าสิ่งสิ่งตา่างๆที่มาทางตาหมูมจมูกนิ้วนิ้คนี่เราไปกําหนดไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ <ขอ S 2> มัน <ขอ S 2> มีทั้งมันมนมีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบห้ามไม่ได้กันนาสตาแต่เราทําใจรังมันได้ทําใจเฉยๆ<ข> อ, อย่าไปอย่าไปรังเกียจอย่ายไปยินดียินร้ายเอามันเราก็จะไม่ชุกกับมันเข้าใจนะคะพระอาจารย์พระอาจารถามตรงนี้ไหมมันก่อนมีมีอารมณ์กรดจากจากคนที่ตําหนิเราที่เป็นจังหวะที่เราเผลอที่พระอาจารย์สอนอยช่ พอดีเราเราเราใช้สีฟุูโตเพื่อหยุดอารมณ์แล้วก็ดึงใจเข้ามาข้างในแล้วก็ลองพิจารณาว่าคนเขาเป็นเป็นดินน้ำไฟผาชาดตรงนั้นพอพอใจมันก็เห็นว่าเขาเป็นดินน้ำนกไฟก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขายังมีเอความคิดมีนามขันที่เหมือนเหมือนเราไม่ยอมอะผาชาัดทีนี้เราต้อง ถึงแม้เขาจะเป็นดินน้ำลงไฟแต่มันนั้นเป็นแค่กายมันก็เป็นเพียงเราดูส่วนเดียวเครื่องเดียวไอ้เครื่งหนึ่งเขาเป็นเขาก็ไมีนามขันมีสัญญาสังขารมีญาณก็เป็นอนัตตาเหมือนกันก็ใช้มองว่าตรงนั้นก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอินทราอาก็ศก็ฝนตกน้ําท่วมเนี้ยมันก็เราไม่ชอบน้าท่วมแต่มันก็ท่ว เขาไม่ชบเขาพูดไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีอย่าเงี่ยมันใจไหมถ้าเราหยุดเราต้องหักยอมนับกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ได้ประจบคก็คือถ้าเราถึงแม้เขามีคือพอเห็นว่าเขาแยกรูปและนามแต่ว่านามมันขับเขาเราก็มันขับไม่ได้ัไปไปดูอย่างเงี้ยมันยากมันยุ่งหรือเให้ดูที่ว่าสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเป็นตัวปัญหาดีกว่าไป เราต้องหาที่อยู่กับสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบให้ได้เท่ากันถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบได้แล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้เท่ากันที่เราไม่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบเราอยู่ไม่ได้เราทนไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่ยอมรับมันเราสิ่งที่ไม่ชอบเราอยากจะปัดมันอยากให้มันหาย พออยากตัวนี้เกิดขึ้นมันเลยทําให้เราทุกขขึ้นมาในใจแต่ถ้าเราอยาอมรับว่าเราปันมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมา ก, ก็ปัดมันมาไปเราก็เพียงแต่ทำใจเฉยๆถ้าไม่เฉยก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธท่องไปให้มันเฉยพระสาละอีกคําถามหนึ่งเป็นเรื่องเวทนาที่ความเจ็บ น, นะคะาการอ่านสัตวก็แบ บ, บเดียวกันมันก็เป็นอวาที่เราชอบไม่ชอบอหมืนัันนะฮะ ครั้งล่าสุดที่รักษาตัวเนี่ยมันมันมั น, มนดีกว่าครั้งก่อนหน้าผคิดว่าครั้งก่อนหน้าพอพอพอเราเราไม่กินยาพอยาชานหมดฤทธิปเนี่ยเราเผลอทุบแล้วก็ดึงกลับมาที่พุทโธชงนาอาจารย์แล้วก็อยู่ต่อไปจนทั้งวันแต่ครั้งนี้มันจังหวะที่เราเริ่มเจ็บมันมันจะมีช่วงช่วงเวลาหกชั่วโมงถ้าไม่ทนอนยาจะเจ็บมากเราเรามีสติรู้ทันว่ากําลังจะไปคิดยา ก็เลยเหมือนเราก็ก็เลือกที่จะไม่หลุดออกไปคิดอยากแล้วก็อยู่กับตัวรู้ของเราไปค่ะอาจารย์ทีนี้สักพักมันมันดีขึ้นตรงครั้งครั้งนี้ทั้งตลอดยี่สิชัมม่วโมงไม่ต้องใช้อยากแค่ปวดเลยทั้งก่อนนอนแต่ว่าความรู้สึกมันคือมันเปลี่ยนจากต้องทนต่อความเจ็บเป็นรู้เฉยๆนะคะะอาจารย์ก็รู้อยู่กับความเจ็บแต่เราจะไม่ฆ่าไปฝังคิดอยากเพราะมันจะทุก แต่ทีนี้ความรู้สึกมันคือมันไม่ทุกแต่มันก็ไม่ได้สุขไม่ได้สบายจากเราต้องอยู่ในอยู่ในตัวรู้ของเราไปตลอดก็คือเราห้ามความเจ็บทางร่างกายไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าเราอยู่กับมันได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันใช่เราไม่ทุกใช่มันก็จะรู้แค่เวทนามันเป็นสวัสดที่มันได้ยาก อยากมากๆแต่เราจะไม่ข้ามไปคิดอยากแล้ลว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะไปอยากไม่ได้อยากให้มันหายก็จะสร้างความทุกข์ในขันวิชันใช่ทีนี้มันมีครับมันมีการทําได้มากกว่านี้ไหมคะอาจารย์คือถ้าความที่เข้าถ่าเปลี่ยนใจเราให้ไปร่างความความเจ็บยูหน่อยถ้าเราร่างมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กมันแล้วก็ชอบแบบนี้ก็ต้องรอจนกว่าจะตายใช่ไหมคะอาจารย์ ถ้าตอนที่เราเจ็ดก็ลองตอนที่เราเจ็ดแทนที่เราจะไปรังเกียจเราลองเปลี่ยนอ้าวขอชบมันสักทีเลยอยู่กับอยากขึ้นไปอยู่อยู่กับเราไปนานๆเลยเอาเปลี่ยนใจเหรอหันันมาลากเขาบ้างเดี๋ยวเขาที่ได้กลียดก็้องเี่ยคราวต่อไปเราเปลี่ยนใจครับถ้าคาหน้าเจอเธอเราจะลากเธอเปลี่ยนใจได้ไหแล้วเปลี่ยนใจได้ลากเขาได้ก็อยู่กับเขาได้ คือที่อยู่เข้าไม่ได้เพราะเราเกียดเขามาเข้าใจไหมเข้าสใจครับอาจารย์ค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะผ่าอาจารย์โอเคคุณเกิดบัณฑิตขั้นสุดท้ายวันนี้เข้ามาขั้นสุดท้ายครับการนมรมสการ์ครับอาจารย์พอดีวันนี้ที่แรกตั้งประเด็นตั้งใจว่าจะไปฟังธรรมแล้วไปนวดถวายหลวงพ่อลงฝนวัดพระบาทน้ำพื้นะครับสต่พอดีมันมีงานด่วนเข้ามาครับ มันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนที่แรกเรามีฉันทะใช่ไหมครับแต่พอมันมีงานด่วนมาแท่งมันเกิดมันมันเกิดโทสะขึ้นมาครับอาจารย์อย่างนี้ยมันยังถือว่าเป็นเป็นยังเป็นฉันทะได้อยู่ไหมเป็นอยู่เลยรนอยากจะทําอย่างหนึ่งแล้วพอไม่ได้ทํำก็โกรธถ้าเป็นฉันทามันก็จะไม่โกรธมันก็เปลี่ยนใจได้แล้าว่าไปตามเหตุผลถ้าเป็นฉันทะไม่ได้ว่าตามเหตุผลวันนี้ถ้าไม่มีรายขัดข้องเข้าไป ถ้ามีราคขาดข้ามก็ไม่ไปถ้าไปกินสิ่งนี้มันก็ไม่โกรแต่เหมือนแต่แต่ก็ได้คําสอนพระอาจารย์ครับก็เลยสึกมันแวบขึ้นมาแป๊มหนึ่งแล้วสึกอ๋อเราก็มีหน้าที่เราก็ต้องทําให้ให้ให้ใหดีที่สุดก่อนนะครับอ <c oughs> ก็เลยแบบได้เหมือนได้ใช้คําสอนของพระอาจารย์นะครับ อ, อ่อนใจถ้ามีอยากแล้วมีโทสะอย่านี้ก็ถื อ, อว่าเป็นกิเลสใช่ไหมครับอาจารย์ ก็เปลี่ยนเปลี่นความอยากเนี่ยเพรเหตุผลนั้นเปลี่ยนนะนะเห็นนั้นเปลี่ยนไปเหตุฌานมันเปลี่ยนไปไปไม่ได้ก็ไม่ไปนะฮะนี่มันไม่ไปมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่โกรธถ้ามันรู้ว่าไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้มันยังอยากจะไปมันก็โกรธนะอืมครับก็เหมือนเหมือนเราก็ต้องวางอุเบกขาเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับอาจารย์อ่าถ้าวางอุเบกขาได้ก็ไม่โกรธ โอเคจะฝึกให้มากขึ้นครับจะได้ตามทันมากกว่านี้ครับอาจารย์ <Okay. S 1> แต่ก็ถือว่าถือว่ามันเร็วครับเร็วกว่าเดิมเยอะมันก็ต้งที่ไม่ตรงหน้าก่อนแล้วต่อไปเวลาจะทําอะไรคือถ้าจะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทํา้องคิดสองแง่สองมุมว่ามันอย่าไปเอามุมเดียวครับอาจารย์มันอาจจะนอกจากว่าเรามั่นใจาเรา <c oughs> มีสัจจะเราต่อให้ฟ้าฟ้าผ่า โลภทลายถ้าตั้งใจทําอะไรก็จะทำอย่างนี้ก็ก็เอาทำเดียวเลจริงๆฝนมันก็จะตกครับแต่ว่าเหมือนเราอยากตั้งใจอยากไปช่วยท่านบ้างครับแต่พอดีงานมันแทรกเข้ามาแถวจริงๆก็ไม่ได้แบบด่วนมากครับแต่พอดีว่าเรามันก็แบบสองจิตสองใจลังเกียจเสียดายนอกมันก็เลยอยากให้เสร็จไวๆผมก็เลยเอองั้นเอาให้เสร็จก่อนได้สบายใจเงี้ยแต่พอดีว่ามันเสร็จช้าไปนิดนึงครับ อ, อันนี้นะไม่มีอะไรแน่อนอนไม่มีอะไระครับพระอาจารย์ก็ปั้นฉันครับพระอาจารย์อคุณน้ำมีไหมมีทางคุณน้ ม, มีคําถามค่ะจากคุณโกโกบคะ่ะขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับการใส่บาตรตอนเช้าถือว่าเป็นการทําทานไหมครับขอความไม่เการใส่บา็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการให้เขาก็ทานแปลว่าการให้ ให้ทาก็เป็นก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันแต่เราสังคมไทยเราชอบนิยมใช้เวลาให้พระเราจะเรียกว่าทําบุญในเวลาเราให้คนอื่นเราเรียกว่าทําทานแต่ความจริงความหมายมันอันเดียวกันให้ให้ทานเหมือนกันแล้วพอให้เสร็จก็จะได้บุญเหมือนกันผลก็คือบุญผลที่เกิดจากการให้ทานก็คือบุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ ไม่ว่าจะให้ใครก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันคําถามหมดแล้วใช่ค่ะหมดแล้นะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะเราคืนนี้เกือบจะห้าทุ่มแล้วเลยเวลาไม่มากก็คิดว่าขอขอยุติการสวดธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นี่ที่เจริาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไป